วันนี้ดูห่างเหินห่างเหินหลายอย่างนะรู้สึกไกลแถมหน้าตาเขาไม่คุ้นเลยเหมือนผู้ก่อการร้ายหมอเขาบอกหลวงพ่อว่าใส่หน้ากากเนี่ยมันกันไม่ได้จริงนะต้องระวังมันเหมาะกับคนที่เขาป่วยแล้วอะเขาไอเขาจามอะไรเงี้ยมันได้ไม่กระจายมาก เวลามันมีโรคระบาดอะไรแบบนี้ก็ต้องระวังตัวเอานะอเนี้อะไรๆก็สู้ต้องระวังตัวเองไม่ได้ลนะ้วใครก็ช่วยเราลำบากหมดเวลาทํามาหากินนะ้กลับบ้านพักผ่อนให้เยอะๆอย่าเอาแต่เที่ยวนะมันก็ลดความเสี่ยงลงสุขภาพแข็งแรงก็ค่อยอยังช่วหน่อยแต่เวลามีโรคระบาดอย่างนี้มันทําให้เรารู้สึกว่าความตายอยู่ใกล้ตัว เมื่อวันสองวันนี้เจอหมอหมอหลายคนเลยไปที่วัดหน้าตานะผ่องใสมากเลยนะใสใส <c oughs> หมอโอ้หมอภาวนาดีหมอบอกวาดเสียว <c oughs> <c oughs> เราภาวนาเราก็คอยสังเกตใจเราอย่างเมื่อกี้ก็หัวเราะเห็นไหม <c oughs> หัวเราะหัวเราะพอไมมันเงียบไปละเราก็เงียบใจก็เงียบเงียบไป คอยสังเกตเอาการภาวนามไม่ยากอะไรหรอกนะพยายามเจริญสติให้มากๆไว้อะไรเกิดขึ้นในชีวิตเราเมื่อะไหร่เราไม่รู้หรอกอย่างความตายจะมาถึงเมื่อไหร่เราไม่รู้นะเราไม่ตายคนใกล้ตัวเรา จ, จะตายก็ได้เพราะันชีวิตนี้เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเศรษฐกิจก็ไม่แน่นอนนะทางด้านสังคมก็มีโรคระบาดมีอะไรงี้อีกมันมีความไม่แน่นอนการเ ม, ม, มืองก็กระเพื่อมไหว ทุกอย่างมีแต่ความไม่แน่นอนบนความไม่แน่นอนนี่สิ่งที่จะช่วยเราได้ก็คือธรรมะธรรมะจะช่วยให้จิตใจของเรามั่นคงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นใจเราก็ยังอยู่ของเราได้ไม่กระเพื่มขึ้นกระเพื่มลงคนซึ่งมีความทุกข์เนี่ยเพราะว่าใจไม่มีปัญญาความทุกข์มันมาได้เนเร่าะใจเราอยอมรับสภาวะที่กำลังปรากฏต่อหน้าต่อตาไม่ได้ เช่นเราจะต้องเจ็บป่วยเรายอมรับไม่ได้ความทุกข์ทางใจมันก็เกิดขึ้นเราจะต้องแก่ยอมรับไม่ได้ว่าจะต้องแก่ความทุกข์ทางจิตใจก็เกิดขึ้นจะต้องตายยอมรับไม่ได้ก็ทุกข์อีกจะต้องพลัดพรากจากคนที่รักจะต้องเจอสิ่งที่ไม่รักอะไรเนี้ยจะต้องผิดหวังในชีวิตบ้างถ้าเรายอมรับความจริงได้ว่าชีวิตมันเป็นอย่างนี้แหละทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วผ่านไปตลอดเวลา ยอมรับความจริงตรงนี้ได้ใจก็ไม่ทุกข์ที่ใจมันทุกข์เพราะมันไม่ยอมรับความจริงอยากฝืนความจริงเช่นอยากมีความสุขถาวรอยากสงบถาวรอยากดีถาวรอะไรดีๆจะให้อยากถาวรอะไรไม่ดีนะก็อยากให้มันไม่มีถาวรอยากถาวรเหมือนกันแต่ถาวรในเชิงลบไม่มีอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่พลัดพรากไม่ทุกข์ เรามหัสภาวนาเนี่ยไม่ใช่เพื่อว่าเราจะได้ไม่ต้องเจอความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากความไม่สมหวังแต่เราภาวนานเพื่อให้เห็นความจริงนะความจริงในโลกเนี่ยมันบกพร่องอยู่ตลอดเวลามันไม่สมอยากหรอกมีแต่ความไม่สมอยากเกิดขึ้นตลอดเวลาอยากอย่างนี้มันไม่ได้อยากนี้มันได้ได้มาแป๊บเดียวก็หายไปนะอยากอย่างอื่นอีกละในโลกนี้บกพร่องอยู่ตลอดเวลาไม่เคยเต็มไม่เคยอิ่ม เรามาหัดภาวนามาดูของจริงนะดูลงในกายดูลงในใจกายกับใจนี่เป็นสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นตัวเรามากที่สุดเรารักที่สุดคือกายกับใจนี้มาภาวนาก็มาดูลงที่กายที่ใจเราจะเห็นเลยทุกอย่างทุกที่ปรากฏขึ้นที่กายที่ใจนี้เป็นของโวคราวทั้งหมดเลยนะอย่างร่างกายนะมันไม่แข็งแรงตลอดเวลานะเดี๋ยวมันก็เจ็บป่วยเจ็บป่วยนี่มันมีอยู่ตลอดเวลานะ นี่งแต่เราไม่รู้สึกอย่างเรานั่งนานๆมันก็เมื่อยนะมันก็ป่วยเหมือนกันแหละมันก็เจ็บมันก็ป่วยมันทรมานนั่งมากๆก็ทุกข์ยืนมากๆก็ทุกข์เดินมากก็ทุกข์นอนมากก็ทุกข์นอนมากก็ทุกข์นะหลวงพ่อเคยเห็นคนเป็นอัมาพาตนอนแล้วก็ดิดตัวไม่ได้นะอุ้ยทุกข์มากเลยนะเป็นแผลกดทับไปเลยบางทีติดเชื้อตายไปง่ายๆเลยงั้นจริงๆร่างกายนี้ ความจริงของเขาก็คือเขามีแต่ความทุกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาร่างกายนี้นะคล้ายๆขนน้วิ่งหนีหมาล่าเนื้อความทุกข์เหมือนหมาล่าเนื้อนะ่ะวิ่งไล่กัดตลอดเวลาเลยตอนยังมีเรื่องมีแรงเราก็วิ่งหนีห่างออกไปได้นะก็รู้สึกก็ยังชั่วหน่อยแป๊บเดียวมันตามมาอีกแล้วเหมือนความทุกข์เนี่ยตามบทขยี้ร่างกายนี้อยู่ตลอดเวลา ให้เราภาวนาไปเราคอยรู้สึกอยู่ที่กายเราก็จะเห็นความจริงเลยร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์นั่งอยู่ก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์นะจะทำอะไรอะไรมันทุกข์ไปหมดเลยหายใจออกหายใจเข้าก็ทุกข์ใครว่าไม่ทุกข์นะลองหายใจเข้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ทุกข์เองอ่ะหรือหายใจออกไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ทุกข์เองอ่ะที่มันไม่ทุกข์เพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนอริยาบทไป เช่นนั่งนานๆแล้วเมื่อยก็ขยับตัวอะไรนี่มันก็เปลี่ยนอิริยาบทมันก็ปิดบังความทุกข์ไว้ชั่วครั้งช่วคราวหายใจออกไปแล้วก็เปลี่ยนมาหายใจเข้าอะไรนี่มันก็ปิดบังไม่ให้เราเห็นความทุกข์ความจริงแล้วมันทุกข์อยู่ตลอดเวลาเลยถ้าเราหัดภาวนานะตามรู้อยู่ที่กายมากเข้ามากเข้าเนี่ยถึงจุดหนึ่งมันจะเห็นในร่างกายนี้มันทุกข์ล้วนๆ น, น่าเบื่อที่สุดเลยจะทิ้งมันก็ไม่ได้นะไปไหนก็ต้องพามันไปด้วยนี้มันไม่ได้ คล้ยๆเรานอนกอดความทุกข์อยู่ตลอดเวลานอนกอดภาระอยู่ตลอดเวลาพอใจมันเห็นความจริงตรงนีนะ้มันจะค่อยๆคลายความรักในกายนี้ลงเดี๋ยวเริ่มเห็นแล้วร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงหรอกเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกอยู่ตลอดเวลาเช่นหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกหายใจออกแล้วหายใจเข้ากินอาหารแล้วก็ขับถ่ายอะไรอย่างนี้ เป็นแค่ก้อนาธาตุหมุนไปเรื่อยๆแล้วก็ความทุกข์ก็ตามบีบคั้นไปเรื่อยๆนี่พอใจมันเห็นความจริงในกายมากเข้ามากเข้านะความรักในกายก็ลดลงเบื้องต้นก็เห็นก่อนร่างกายไม่ใช่เราตอนนี้คนที่เรียนกับหลวงพ่อแล้วเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราอันนี้นับจํานวนไม่ท้วนนะมีเป็นพันมีเป็นหมื่นนะภาวนาไม่นานหรอกก็เห็นแล้วร่างกายไม่ใช่เราเหลืออันเดียวหรื อ, อยังเห็นจิตเป็นเราอยู่เราจะรู้สึกว่าในร่างกายนี้มีเราอยู่คนหนึ่ง เราคนนี้เดี๋ยว น, นี้กับเราคนนี้ตอนเด็กๆก็เป็นเราคนเดิมวิธีที่จะถอดถอนความเห็นผิดว่าจิตเป็นเรานะเราก็ตามดูจิตไปค่อยรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตเราจะเห็นวนะ่าเดี๋ยวจิตก็สุขเดี๋ยวจิตก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยๆมันสุขก็อยู่ชั่วคราวมันทุกข์ก็ชั่วคราว ม, ม, มันเฉยๆก็ชั่วคราวมันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันไม่คงที่มันไม่เที่ยงจิตเดีย๋ยวก็เป็นกุศลเดี๋ยวก็เป็นอกุศลนะเดี๋ยวก็โลภขึ้นมา พอมีสติรู้ทันความโลภ ก, ก็ดับไปเดี๋ยวโกรธขึ้นมามีสติรู้ทันความโกรธก็ดับไปเดี๋ยวหลงไปมีสติรู้ทันก็รู้สึกตัวขึ้นมาความหลงก็ดับไปความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นมีสติรู้ทันนความฟุ้งซ่านก็หายไปจิตใจหดหูมีสติรู้ทันนะความหดหูก็หายไปเนี่มจะเห็นแต่ว่าจิตใจนี้มันไม่เที่ยงเคลื่อนไหวเ ป, เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถ้าเมื่อไรเกิดความอยากขึ้นในจิตนะจิตจะถูกบีบคั้นจิตก็มีความทุกข์ ีความอยากมันเกิดทั้งวันถ้าเราหัดเจริญสติให้ดีรู้ทันจิตใจตัวเองให้ดีเราจะเห็นว่าจิตเรามีความอยากเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยเดี๋ยวอยากโน้นอยากนี้อยากโน้นอยากนี้เช่นอยากดูอยากฟังอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากกระทบสัมผัสที่ดีๆอยากหนีการกระทบสัมผัสที่ไม่ดีอะไรเี้ยอยากคิดเรื่องดีๆอยากให้จิตสนุกสนานอยากให้มีความสุขอยากให้ความทุกข์หายไปสารพัดที่จะอยาก ทุกคราวที่ความอยากเกิดขึ้นที่จิตนะจิตจะถูกบีบเค้นจิตจะถูกเค้นนะจิตจะมีความทุกข์ขึ้นมามีการบีบคั้นขึ้นมานะพวกเราคอยหัดดูไปเราก็เห็นแล้วว่าจิตนี้ถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลานะมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยเนี่ยเฝ้าดูไปดูไปดูไปเห็นอีกนะจิตเองก็เป็นอนัตตานะมันทํางานของมันได้เองนะมันสุขก็สุขของมันนะมันทุกข์ก็ทุกข์ของมันเราสั่งมันไม่ได้ สั่งให้สุขอย่างเดียวไม่ได้ห้ามทุกข์ไม่ได้สั่งให้ดีอย่างเดียวไม่ได้ห้ามชั่วไม่ได้มีแต่เรื่องบังคับไม่ได้มีแต่เรื่องห้ามไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับเรียกว่านัตตาในการที่เราคอยมีสติดูไปจิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจิตใจมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาจิตใจมันทางานของมันนะไม่ใช่เราทางานได้เองดูไปดูไปไม่มีตัวเราในตัวจิตนี้อีก ภานาไปเห็นจิตก็ไม่ใช่เรากายก็ไม่ใช่เราจิตก็ไม่ใช่เราไม่มีตัวเราอื่นที่ไหนเลยเพราะสิ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นตัวเราก็อยู่ที่กายที่ใจไม่ได้ไปอยู่ที่พื้นหรอกไม่ได้อยู่ที่อากาศที่ภูเขาที่ต้นไม้นะมันอยู่ที่กายที่ใจงั้นถ้าอมไรเห็นว่ากายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เรานี่นก็จะไม่เห็นว่ามีอะไรเป็นเราอีกละเฝ้ารู้อยู่อย่างนี้เรื่อยๆพอมันไม่มีเราขึ้นมาจริงๆนความทุกข์มันอยู่ที่ไหนความทุกข์มีอยู่ เพราะขันยังมีอยู่ตัวขันนั่นแหละคือตัวทุกข์ขันเป็นตัวทุกข์นะไม่ใช่ขันเป็นตัวสุขไม่ใช่ว่าภาวนาแล้ววันหนึ่งขันกลายเป็นตัวสุขขึ้นมาได้ขันยังไงก็เป็นตัวทุกข์เพราะขันมันไม่เที่ยงมันถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลามันบังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจยังไงก็เป็นทุกข์แต่ว่าเมื่อใจยอมรับความจริงว่าขันมันเป็นทุกข์ทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นที่ขันก็อยู่ชั่วคราว ตัวขันเองก็อยู่ชั่วคราวการ f. ที่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของชั่วคราวนี่เรียก ว, ว่าเรารู้ทันความจริงแล้วเมื่อความจริงจิตรู้ทันความจริงเนี ie, ่ยเวลาความจริงมาปรากฏให้จิตยอมรับความจริงได้จิตก็ไม่ทุกที่จิตทุกเพราะจิตยอมรับความจริงไม่ได้เช่นร่งงรรางกายมันจะแก่ใช่ไหมจิตยอมรับความจริงได้มันของธรรมดามของชั่วคราวพอใจยอมรับความจริงได้มนก็ไม่ทุกมันจะเจ็บมันจะตายนะ ทางจิตใจเราจะพลัดพรากจากสิ่งที่รักเจอสิ่งที่ไม่รักอะไรนี้เรายอมรับความจริงได้ว่าทุกอย่างชั่วคราวสุขทุกข์ดีชั่วของชั่วคราวทั้งหมดเมื่อใจยอมรับความจริงได้แล้วอะไรเกิดขึ้นนะใจก็ไม่ดิ้นใจหมดความปรุงแต่งไม่ดิ้นต่อรู้แล้วจบลงที่รู้อย่างแท้จริงพอใจรู้ทุกอย่างอย่างที่เขาเป็นนะแล้วใจไม่ปรุงแต่งต่อเนี่ยถึงจุดหนึ่งสติปัญญาแก่กล้าพอนะ มันจะเกิดอริยามรรคขึ้นมาตอนเกิดอริยามรรคเนี่ยจิตไม่จะไปเห็นสภาวะธรรมชนิดหนึ่งซึ่งพ้นจากความปรุงแตง่งตอนนี้พวกเรายัางเห็นสภาวะที่พ้นความปรุงแต่งไม่ได้เพราะจิตเรายัางปรุงแต่งอยู่ที่จิตปรุงแต่งอยู่นะเพราะว่ายังไม่รู้ความจริงของขันยังไม่เห็นหรอกว่าขันห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายังยอมรับไม่ได้เวลาเห็นก็เห็นนิดๆหน่อยๆแต่ยังยอมรับความจริงไม่ได้ ใจลึกๆมันก็ยังอยากให้ร่างกายนี้แข็งแรงตลอดการเป็นหนุ่มเป็นสาวตลอดการอยากยอมรับไม่ได้ที่จะไม่สมหวังอยากให้มันสมหวังอยากให้มันมีความสุขอยากให้มันบรรลุมากกด น, นิพพานมันอดอยากไม่ได้งนั้นใจที่เรายังมีความอยากอยู่นี่มันดิ้นรนไม่เลิกความอยากก็คือตัณหามันผลักดันให้ใจนี้ดิ้นร น, นการดิ้นรนของจิตเรียกว่าภพมีตัณหาเป็นผู้สร้างภพงนั้นจิตทางานอยู่ตลอดเวลา ก็ไม่สามารถจะเห็นนิพพานซึ่งมันอยู่เหนือภพไดนะ้แต่เมื่อเราจเจริญสติจเจริญปัญญาเรียนรู้กายเรียนรู้ใจของตัวเองมากเข้ามากเข้านะวันหนึ่งมันไม่ยึดถือในกายในใจนะมันก็พ้นความปรุงแต่งไปใจก็ไปสัมผัสพระนิพพานานิพพานมีจริงๆนิพพานเป็นความสุขนะนิพพานไม่มีกิเลสนะนิพพานไม่มีขันแต่นิพพานมีอยูนะ่ไม่ใช่ไม่มีอะไรเลย หลังจากนั้นพอเราภาวนามาถึงตรงนี้เนี่ยเรายังเห็นนะขันยังเป็นทุกข์อยู่ความทุกข์มีอยู่แต่ไม่มีเจ้าของความทุกข์มีอยู่นะแต่ไม่มีผู้เป็นทุกข์ค่อยๆฝึกไปเราจะเห็นเลยสภาวะธรรมทั้งหลายนะั้นเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่มีเจ้าของหรอกพราะไม่มีตัวเราขึ้นมาสิอย่างเดียวโลกทั้งโลกไม่มีเจ้าของแะ้วังั้นเราค่อยฝึกเอาไม่ได้ยากเท่าที่คิดหรอก มันยากเพราะว่าเราภาวนาไม่เข้าหลักเข้าเกณฑ์สักทีส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัติที่เนิ่นช้าเนี่ยเพราะไปภาวนาเอาแต่ความสงบนะทำแต่สมถะอย่างเดียวไม่มีปัญญานะสมถะมีมาก่อนพระพุทธเจ้านะแต่พระพุทธเจ้าท่านก็ยอมรับสมถะเอามาใช้ประโยชน์นะสมถะเป็นการฝึกจิตฝึกใจให้สงบให้ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมานะต้องรู้นะวัตถุประสงค์ของสมถะไม่ใช่แค่สงบ ถ้าทำสมถะโดยมุ่งเอาแค่ความสงบของจิตใจอย่างเดียวแค่เอาความสุขของจิตใจอย่างเดียวเนี่ยไม่เอื้อต่อการที่จะก้าวไปสู่การเจริญวิปัสสนาที่จะไปเห็นความจริงของกายของใจได้มันมีสมถะมันมีอยู่สองพวกพวกหนึ่งทำสมถะไปแล้วเป็นมิจฉาสมาธิจิตสงบเหมือนกันนะแต่ว่าประกอบด้วยโมหะประกอบด้วยความหลงประกอบด้วยโรภะประกอบด้วยราคะมีความเพลิดเพลินยินดีพอใจในความสุขความสงบที่เกิดขึ้น ความสงบชนิดนี้สมาธิชนิดนี้ไม่เป็นไปเพื่อวิปัสสนาเป็นสมาธิที่มันมีอยู่ทั่วๆ่วไปเช่นเราไปหัดนั่งสมาธินะนั่งแล้วก็เคลิมเลิสงบนะหมดเวลาแล้วก็มีความสุขคล้ายๆหลับมาเต็มอิ่มตื่นขึ้นมามีความสุขใจก็ยังเยิ้มเยิมเคลิมเคลิมติดความสุขของสมาธิออกมาเนี่ยสมาธิชนิดนี้ใช้ไม่ได้นะมันมีสมาธิชนิดหนึ่งคือสมาธิซึ่งประกอบด้วยสติ อย่างเราหายใจไปนะหายใจออกหายใจเข้านะรู้สึกตัวไปเห็นร่างกายมันหายใจไปเรื่อยหายใจไปรู้สึกตัวไปหายใจไปรู้สึกตัวไม่ให้ขาดสติไม่ให้เคลิมนะไม่ให้ขาดสติหายใจแล้วรู้สึกหายใจแล้วรู้สึกค่อยๆดูค่อยๆสังเกตไปตัวที่หายใจอยู่นี้ร่างกายมันหายใจมันเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าแล้วค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆนะหายใจไปนานกสังเกตร่างกายเป็นของถูกรู้ร่างกายมันหายใจเป็นของถูกรู้ จิตเป็นคนรู้ร่างกายที่หายใจเนี่ยฝึกไปฝึกไปนะจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูพอจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูมันไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งผู้หลงแต่เป็นผู้ดูจริงๆมันเป็นผู้ดูแล้วเนี่ยต่อไปนี้เราไม่ได้เป็นประคองจิตให้นิ่งอยู่กับผู้รู้ผู้ดูนะมีสติตามรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจเรื่อยไปเราก็เจริญปัญญาเห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้ ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี้เจริญปัญญาได้เะฉั้นพวกเราต้องระมัดระวังนะในการทําสมาธิต้องเป็นสมาธิที่ประกอบด้วยสติอย่าให้ขาดสติสมาธิที่เป็นอกุศลมีอยู่นะสมาธิไม่ใช่ไปเกิดกับจิตที่เป็นกุศลเสมอไปไม่เหมือนสตินะสติจะเกิดร่วมกับจิตที่เป็นกุศลเท่านั้นแต่สมาธินี้เกิดกับจิตอกุศลก็ได้ เพราะวะั้นเวลาที่ใจสงบแล้วประกอบด้วยโมหะลืมเนื้อลืมตัวเป็นไปได้ไหมที่จะสงบแล้วลืมตัวเป็นได้มากเลยนะนั่งสมาธิแล้วก็เริ่มลืมตัวไปเงี้ยหรือนั่งแล้วก็ใจออกนอกเนี่ยเห็นแสงสว่างเห็นเทวดาเห็นผีนี่ออกนอกไปสมาธิชนิดนี้ไม่สามารถทาให้เรากลับมารู้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูได้สมัยก่อนที่หลวงพ่อไปหัดเรียนจากครูบาอาจารย์นะเข้าไปหาครูบาอาจารย์ทุกองเลย เมื่อยี่สบสาสิบปีก่อนเนี่ยทุกๆุกองนะครูบาอาจารย์วัดป่าท่านจะสอนเรื่องจิตผู้รู้นะท่านย้ํากันตรงนี้มากเลยหลังๆนี้คํานี้หายไปนะหลังๆมีแต่เรื่องนิมิตนะได้ยินนักปฏิบัติกุยกันพูดแต่เรื่องนิมิตซึ่งเป็นเรื่องไร้สาระเรื่องที่มีสาระก็คือทําไมเราลืมคาว่าจิตผู้รู้ไปงั้นภาวนาให้มันมีจิตที่เป็นผู้รู้ขึ้นมานะเบื้องต้นทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งก่อนหายใจก็ได้พุโทโธก็ได้ จะดูท้องพองยุบก็ได้จะขยับมือทําจังหวะก็ได้อะไรก็ได้รู้อยู่ที่กายรู้อยู่ที่ใจนี่แหละแล้วก็ค่อยๆสังเกตไปว่าทุกสิ่งนี้เป็นของถูกรู้ถูกดูจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูนี่อยู่ต่างหากค่อยฝึกไปจน ม, นมันมีตัวผู้รู้ขึ้นมาพอมันมีตัวผู้รู้ขึ้นมาะมันจะเกิดปัญญาได้ง่ายอย่างเวลาเดินอยู่เนี่ยถ้าเราเคยฝึกเดินจงกรมนะแล้วเราเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูฝึกอย่างนี้ ร่างกายเดินใจเป็นคนดูร่างกายยืนใจเป็นคนดูร่างกายนั่งใจเป็นคนดูร่างกายนอนใจเป็นคนดูนะฝึกอย่างนี้บ่อยๆค่อยๆสังเกตไปหรือพุทโธพุทโธไปก็เห็นนะพุทโธเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าพุทโธเป็นสิ่งถูกรู้ถูกดูผู้รู้ผู้ดูมีอยู่ต่างหากนะดูท้องพองยุบก็เห็นร่างกายมันพองเห็นร่างกายมันยุบอย่าไปเพ่งอยู่ที่ท้องรู้สึกตัวทั่วตัวนะรู้สึกตัวทั่วๆเลยรู้สบายๆรู้กว้าง เห็นร่างกายมันพองไปร่างกายมันยุบไปใจเป็นผู้รู้ผู้ดูนี่ค่อยๆฝึกไปเรื่อยนะเดินจงกรมก็เหมือนกันเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นผู้ดูเห็นจิตมันไปคิดใจก็เป็นผู้รู้ผู้ดูค่อยฝึกอย่างนี้บ่อยๆพอใจมันเป็นผู้รู้ผู้ดูเนืองๆต่อไปมันจะมีผู้รู้ผู้ดูอยู่บ่อยๆพอมีผู้รู้ผู้ดูจิตซึ่งเป็นผู้รู้ผู้ดูเกิดขึ้นแล้วเนี่ย พอสติะระลึกรู้ร่างกายมันจะเห็นทันทีเลยร่างกายนี้เป็นของถูกรู้ถูกดูร่างกายไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีร่างกายไม่ใช่เราเวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์เกิดขึ้นสติะระลึกรู้นะจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูเท่านั้นไม่เห็นเลยว่าความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่จิตนะความสุขความทุกข์เป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาให้จิตรู้ชั่วครั้งชั่วคราว กุศลอกุศลเกิดขึ้นจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูก็จะเห็นเลยว่าโลภโกรดหลงทั้งหลายกุศลทั้งหลายเป็นสิ่งที่ผ่านมาผ่านไปจิตเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูนะค่อฝึกไปมันจะเห็นในทุกอย่างเป็นแค่สิ่งที่ผ่านมาผ่านไปทุกอย่างไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเท่านั้นฝึกอย่างนี้บ่อยๆพนะอฝึกไปมากๆต่อไปก็สังเกตอีกกระทั้งตัวจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูเองก็เกิดแล้วก็ดับเป็นผู้รู้อยู่ชั่วคราวนะเดี๋ยวก็เป็นผู้คิด เป็นผู้รู้อยู่ชั่วคราวเดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งเป็นผู้รู้อยู่ชั่วคราวเดี๋ยวก็เผลอไปลืมเนื้อลืมตัวไปเลยเป็นสารพัดเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไปเดี๋ยวก็เป็นผู้เงื่งหน่อยผู้โมโหร้ายเห็นไหมตัวผู้รู้ก็ไม่คงที่หรอกเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยเฝ้าดูลงไปนะค่อยๆสังเกตค่อยๆรู้ค่อยๆดูไปจิตซึ่งมันตั้งมั่นมีผู้รู้ผู้ดูอยู่นี่แหละเรียกว่าจิตมันมีสมาธิ นะถ้าจิตมันหายไปผู้รู้ผู้ดูหายไปนะกลายเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งไปก็เรียกว่าจิตมันขาดสมาธิเราอย่านึกว่าสมาธิคือการเห็นแสงสีต่างๆนะการเห็นนิมิตแสงสีต่างๆไม่เรียกว่ามีสมาธิที่แท้จริงหรอกจิตยังสมาธิไม่ดีพ อ, อยังฟุ้งออกไปข้างนอกไปเที่ยวเห็นนอนทน์นอันนี้หรือจิตยังปรุงแต่งอยู่ดงนั้นถ้าจิตเราตื่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูเรียกว่าเรามีผู้รู้มีสมาธิที่แท้จริงอยู่เป็นสมาธิที่เกื้อกูลกับการเจริญวิปัสสนา พอจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูเนะี่ยมันจะเลื่อนวิปัสสนาได้พอสติระลึกรู้กายมันเห็นเลยกายเป็นของถูกรู้สิ่งใดถูกรู้สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวเรานะนี่ตรงนี้มีนาฬิกาอยู่อันหนึ่งพวกเราดูนาฬิกาเนี้นาฬิกานี้ถูกรู้รู้สึกไหมใจเราเป็นคนรู้มันใครรู้สึกว่านาฬิกาเป็นตัวเรามีไหมถ้ามีนะรู้สึกจิตแพทย์ก็มานะวันนี้นะเห็นหมอะไรอะไรที่มันยังถูกรู้ถูกดูได้นะัมันไม่ใช่เราหรอก มันเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาช่วครั้งช่วคราวเท่านั้นนั้นเราค่อยๆตื่นขึ้นมานะจิตบางคนหลวงพ่อเขาบอกว่าจิตตื่นจิตตื่นก็คือจิตมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมานั่นเองค่อยๆฝึกไปจนจิตมันตื่นขึ้นมานะวิธีฝึกก็คือหากรรมฐานมาทำสักอันหนึ่งก่อนนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งก่อนนะอะไรก็ได้นะแล้วแต่เราถนัด แต่ไม่ได้ทำเพื่อน้อมให้จิตซึมให้จิตนิ่งไม่ใช่นั่งสมาธิแล้วก็เคลือ่อย่างงี้ไม่เอานะหรือนั่งแล้วก็บังคับเคร่งเครียดอย่างงี้ไม่เอานะนั่งรู้สึกไปเห็นร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูไปเรื่อยร่างกายหายใจใจเป็นคนดูไปเรื่อยเวลาจิตรวมจิตสงบนะมันจะรวมแบบรู้เนื้อรู้ตัวไม่ขาดสติเลยนะเหมือนเรือบินนะแลนดิ้งเก่งนะลงได้นิ่มไม่หล่นตู้มลงมาแล้วก็เด้งขึ้นไปอีกนะ งั้นใจเราค่อยๆฝึกเอารู้สึกไปทํากรรมฐานสักอันหนึ่งก่อนแล้วก็ค่อยๆสังเกตไปว่ากรรมฐานทั้งหลายนั้นก็เป็นของถูกรู้ถูกดูเหมือนๆกันหมดเลยบางคนขยับมือนะก็เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเราเป็นแค่คนรู้คนดูนลองฝึกดูนะฝึกดูเงันใจเรามีผู้รู้ผู้ดูเราจะรู้เลยว่าจิตที่ตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิมเป็นยังไงไม่ใช่จิตที่เคลิ้มเคลิมไม่ใช่จิตที่ลืมเนื้อลืมตัวเป็นจิตที่รู้เนื้อรู้ตัว เนี่ยสมัยก่อนไปหาครูบาอาจารย์นะทุกทุกองเลยนะสอนให้เรารู้สึกตัวตัวนี้สอนให้มีจิตผู้รู้ไปหาหลวงปู่ดุลหลวงปู่ดุลท่านไม่ได้พูดคําว่าจิตผู้รู้นะท่านก็พูดเรื่องตื่นขึ้นมารู้สึกขึ้นมาอะไรเงี้ยไปหาหลวงพ่อพุธ ท, ท่านก็พูดถึงจิตผู้รู้หลวงปู่เทศนะจันมห า, าบัวหลวงปู่เลี้ยนหลวงปู่สิมอะไรเนี่ยเข้าไปหาแต่และองค์แต่และองค์งพูดอย่างเดียวกันนะบอกให้มันรู้ขึ้นมาแต่บางองค์บอกว่าให้รู้ตัวให้มีสติรักษาจิต องค์ก็ว่าให้มีจิตผู้รู้จิตผู้รู้คือจิตมันมีสติจิตมันตั้งมั่นจิตมันมีสมาธิงั้นเราค่อยฝึกนะอย่าไปเอาแต่มิจฉาสมาธินั่งแล้วก็เคลื่อไปไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาหรอกได้แต่นั่งสบายใจชั่วครั้งชั่วคราวพอออกจากสมาธิแล้วจะอารมณ์ร้ายเที่ยวตีกับชาวบ้านไปเรื่อยเพวกติดสมาธิอารมณ์ร้ายนะพวกจเจริญสติแล้วมีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยอารมณ์ดีนะ เขเห็นอะไรทุกอย่างไหลามาไหลไปจิตไม่เข้าไปคล้องไปแว่ด้วยสบายใจนี่ค่อยๆฝึกไปนะให้มันมีใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาก็รู้แล้วก็ดูกายเห็นกายไม่ใช่เราเห็นจิตไม่ใช่เราเห็นเวทนาไม่ใช่เราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ตัวเราเมื่อไรจิตยอมรับความจริงได้ว่า ทั้งขันห้าไม่มีตัวเรานะไม่มีตัวเราในขันห้าไม่มีตัวเรานอกขันห้าอีกนะก็เป็นพระสโสดาบันนะพระสโสดาบันไม่ใช่นั่งสมาธิบุบบุบบ้าบ้าแล้วเป็นพระสโสดาบันนะต้องมีปัญญาเห็นเลยตัวเราไม่มีก็รู้สึกว่าเป็นพระสโสดาบันแล้ววันหลังยังรู้สึกว่ามีเราอีกเนี่ยโสดาบัน er, ปลอมนะใช้ไม่ได้ไม่มีแล้วก็ต้องไม่มีเลยไม่ใช่ปลูพลูพลูพลูเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็ไม่มีนะใช้ไม่ได้นี่พวกเราค่อยฝึกเอา พอใจเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเห็นกายเห็นใจทํางานแล้วอย่าขี้เกียจตรงนี้เรียกว่าภาวนาเป็นแล้วเพอภาวนาเป็นแล้วห้ามขี้เกียจถ้าขี้เกียจเราไม่ได้กินหรอกแต่ว่าถ้าหากเราต้องการแค่จะอยู่กับโลกอย่างมีความสุขนะแค่ใจเราตื่นขึ้นมาแล้วก็คอยดูกายดูใจไปกิเลสผ่านมาแรงๆแล้วก็รู้สึกเอาอะไรเงี้ยเป็นครั้งเป็นคราวแบบนี้เราก็อยู่กับโลกอย่างมีความสุขได้ถ้าอยากพ้นโลกก็ต้องจริงจังมากกว่านั้นหน่อยนะ ต้องมีระเบียบมีวินัยในการปฏิบัติทุกวันต้องปฏิบัติให้ได้แบ่งเวลาไว้เลยนะทุกวันต้องไปนั่งสมาธิเดินจงกรมไปไหว้พระสวดมนตนะ์ทำในรูปแบบนะทาในรูปแบบก็คือหัดเจริญสติในรูปแบบนะเราจะมาเจริญสติในชีวิตประจำวันอย่างเดียวเนี่ยส่วนมากสมาธิจะไม่พอจิตจะไม่มีกำลังนะเรามาทาในรูปแบบเช่นเดินจงกรมไปเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูไปเรื่อยๆนะ ตัวรู้ตัวดูของเราไม่จะเด่นขึ้นมามีเรี่ยวมีแรงขึ้นมาครั้นี้ก็มาเจริญสติในชีวิตประจําวันได้ทั้งวันเลยนะทุกวันก็ซ้อมในรูปแบบนะใจของเราก็จะเป็นผู้รู้ผู้ดูตั้งมั่นขึ้นมาต้องอดทนมากกว่าจะข้ามพบข้ามชาติได้คนหนึ่งคนหนึ่งเนี่ยไม่มีลุกฟลุกไม่มีของฟรีไม่มีของฟลุ ก, ม, ม, ลกมีแต่ต้องลงทุนลงแรงทุกสิ่งยุติธรรมที่สุดใครทําใครได้ใครไม่ทําไม่ได้ทําแค่ไหนก็ได้แค่นั้น ถ้าแค่จเจริญสติดูจิตในชีวิตประจำวันไปวันหนึ่งวันหนึ่งนะถึงเวลาก็ไปคลุกอยู่กับโลกเราก็อยู่กับโลกได้อย่างมีความสุขมากกว่าคนทั่วๆั่วไปนะถ้าอยากได้มากผล น, นิพพานในชีวิตนี้ก็ต้องเข้มงวดมากกว่านั้นศีลต้องเคร่งคลัดศีลขาดไม่ได้นะถ้าศีลขาดแล้วจิตจะฟุ้งซ่านศีลถอารักษาไว้ได้จิตใจจะสงบง่ายศีลจําเป็นมากนะใครอยากไปนิพพานไม่ถือศีลไม่ได้ไปไม่รอดหรอกนะมีศีลเอาไว้นะ พอมีศีลแล้วก็ฝึกของเราทุกวันถึงเวลาไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมนะรู้สึกกายรู้สึกใจไปบางครั้งจิตก็สงบบางครั้งจิตก็เดินปัญญาในขณะที่ทําตามรูปแบบอย่างเราเดินจงกรมอยู่เนี่ยเดินไปเดินไปนะพอจิตมันเหนื่อยจิตมันเหนื่อยมันจะรวมนะจิตมันรวมมาบางทีขามันก็หยุดเดินยืนนิ่งๆใจสว่างรู้เนื้อรู้ตัวอยู่นะบางทีร่างกายก็หายไปเหลือแต่จิตอันเดียวสว่างอยู่ ไม่ใช่ภาวนาบูบหมดความรู้สึกไปสามชั่วโมงแล้วบอกว่าปฏิบัติดีอันนั้นขาดสติใช้ไม่ได้เลยงั้นอย่างเราเดินจงกรมไปนะตอนที่ร่างกายมันเหนื่อยมากๆหรือจิตมันเหนื่อยมากๆที่เดินเดินไปจิตรวมลงมาเป็นสมาธิพักผ่อนพอจิตมีเรี่ยวมีแรงแล้วนะก็ขึ้นมารู้กายรู้ใจต่อไป ปาะซ้อมอยู่ในการปฏิบัติในรูปแบบทุกวันทุกวั น, วนเวลาเรามาฝึกจริงในชีวิตประจําวันเนี่ยสติอัตโนมัติจะเกิดง่ายจะเกิดได้บ่อยทียิบเลยแทบไม่ขาดเลยนะวับวั บ, บ, บรู้สึกตลอดเลยหรืออย่างเวลาเราไปนั่งสมาธิเราเกิดบางคนชอบดูจิตนั่งสมาธิแล้วดูจิตบางคนสงสัยว่าถ้าดูจิตแล้วจะเกิดสมาธิได้ไหมเกิดได้แน่นอนเลยนะคราวหนึ่งหลวงพ่อเคยไปหาหลวงปู่ดูลนท่านก็พูดเรื่อง ดูจิตแล้วมันมีสมาธิหลวงพ่อก็พูดกับท่านนะบอกเออหลวงปู่ช่วงนั้นผมไม่ได้ฝึกเข้าสมาธินะทําไมหลวงปู่บอกว่าจิตผมเข้าสมาธิท่านบอกเวลาเราดูจิตนี่มันได้สมาธิอัตโนมัติจิตเป็นตัวอรูปจิตเป็นตัวอรูปนะถ้าเวลาที่เรามีสติพอมีใจที่เป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยเราเห็นจิตเกิดดับเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตรงนี้เราทํำมิปัสนา แต่ถ้าเมื่อไรมันหมดแรงเนี่ยนะมันจะจับเข้าในความว่างๆความสว่างนะอันนี้เป็นการเพ่งความว่างๆเรียกว่าอากาศสารัญญายตนะเป็นสมถะนะหรือว่ามาเพ่งมาจับอยู่ที่ตัวผู้รู้เห็นตัวผู้รู้ซ้อนตัวผู้รู้นะจับอยู่ที่รู้ไปเรื่อยๆนะเรียกว่าวิญญาณัญญายตนะก็เป็นสมถะดูไปดูไปไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างนะว่างไปหมดเลยนะจับอยู่ในว่างความไม่มีอะไรเลยเรียกว่าอากินัญญาตนะ งั้นดูจิตดูใจนะจิตมันจะพลิกไปพลิกมาตลอดเวลามันไม่ได้เจริญวิปัสสนารวดนะเวลาทําสมถะเนี่ยทำสมถารวดเดี่ยวได้แต่ทําวิปัสสนารวดเดี่ยวไม่มีจริงหรอกถึงเรารู้กายอยู่นะบางทีจิตก็รวมมาเป็นสมถะบางทีดูจิตอยู่จิตก็รวมเข้ามาเป็นสมถะจะพลิกไปพลิกมาระหว่างสมถะกับวิปัสสนาถ้ารู้ไม่ทันนะั้นก็ก็เสียท่าเหมือนกันคนไม่รู้ จิตเกิดนิมิตขึ้นมาเพราะตอนนั้นพลิกเป็นสมถะเกิดนิมิตขึ้นมาแล้วไปคิดว่าบารรลุมรรคผลนะนะนะเข้าใจผิดเพราะนั้นในความเป็นจริงนะี่จิตจะพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาระหว่างสมถะกับวิปนะัสสนามันเป็นสมถะมันก็ได้พักผ่อนพักผ่อนแล้วมันเกิดติดอกติดใจในความสุขความสงบเรามีสติรู้ทันนะจิตก็หลุดออกจ öh ากาการติดในความว่างอนะันนะั้นหลุดออกมาอย่าเอาว่างนะอย่าเอาความว่างความสว่างความสงบอะไรพวกนั้นเป็นแค่สมถะ ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะเอาความสุขความสงบตอนนี้เป็นเวลาที่ต้องต่อสู้เรียนรู้ความจริงของชีวิตเรียนรู้ความจริงของกายของใจให้เห็นทุกข์ให้แจ้งถ้าเห็นทุกข์แล้วจิตถึง่าวางกายวางใจนะก็พ้นทุกข์ไปคนละขั้นคนละตอนกันอย่ารีบร้อนค่อยๆฝึกเอานะไม่ยากหรอกใครสงสัยก็เชิญถามได้นะแต่รู้สึกว่าเขามีคิวถาม <c oughs> หลวงพ่อไม่ได้เลือกนะใครเลือกไว้ก็ไม่รู้เหมือนกัน อ้าวก่อนจะถามหลวงพ่อหลวงพ่อถามก่อนพวกเรารู้สึกไหมตอนหลวงพ่อหยุดพูดปุ๊บเนี่ยจิตหนีไปคนละทางสองทางรู้สึกไหมอ่าตะเลิดปุ๊บปั๊ป๊ ป, ปไปคนละทิศคนละทางนะเราก็แค่รู้ไม่ตําหนิตีเตียนนะแค่รู้รู้ลงไปเรื่อยอ้าวเชิญ น, น้ำมัสการครับหลวงพ่อพูดพดังๆนะมันมีผ้าบางังมันเสียงมันเบาครับ ก, ก็ก็มีคําถามนะครับบางทีคือ ตั้งแต่ปฏิบัติมาครับมันมีปัญหาคือผมยังติดเพ่งอยู่แต่ว่าไอ้เรื่องอาการตื่นเต็มร้อยเนี่ยครับผมก็พอจะตื่นบ้างแต่ว่า อ, นะ อ, อาการตื่นนะครับจิตตื่นนะครับมันตื่นบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะกลับไปเพ่งคือผมยังคือบางครั้งเราเป็นกลางแล้วครับแต่ผมยังไม่ยอมเลิกเพ่งนี่มันเป็นพ่ออะไรครับมันเคยชินจิตตปนอนัตตาก็จริงนะแต่จิตเป็นธรรมชาติที่ฝึกได้ ถ้าเราเคยฝึกเพ่งมานะเขาชินกับการเพ่งเขาก็จะเพ่งโดยเราห้ามเขาไม่ได้นี่เป็นอนัตตาตรงที่เราห้ามไม่ได้แต่มันฝึกได้ต่อไปนี้เราฝึกที่จะหัดรู้ทันมันนะต่อไปมันชินที่จะรู้มันก็เลิกเพ่งเองอะ่ะครับอีกข้อนะครับคือวันนี้ผมตั้งใจจะมาถามเรื่องเกี่ยวกับสมาพี่นะครับแต่หลวงพ่อก็ตอบไปแล้วทีนี้ก็เลยเหลือแต่ว่าอยากให้หลวงพ่อพิจารณาว่าผมวางใจถูกหรือเปล่าครับในการนั่งสมาพิวางแรงไปไหน่ออา้าวลองนั่งไป อย่าถลําลงไปเพ่งนะถอยขึ้นมาลืมตาได้ไหมรู้สึกไหมจิตมันเคลิมตรงนั่นงเหนือนั้นแหละมิจฉาสมาธินะไม่เอาเลยนั่งแล้วรู้สึกตัวไม่นั่งเอาเคลิ้มเวลาที่จิตรวมนะก็รวมด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวไม่ใช่รวมแบบเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวลงไปนะถ้าเคลิ้มอย่างนั้นโมหะแทรกก็ออกมาจากสมาธิแล้วโมหะก็ยังตามมาด้วยนะมันทําให้มัวมวอยู่ทั้งวันใช้ไม่ได้ เกิดจะลืมตาเนี่ยครับจะถือว่าได้ไหมครับได้พระพุทธเจ้าบบสอนอย่างนี้นะพิสูจทั้งหลายให้เธอคูบันลังตั้งกายตรงดงํารงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้วยาวหายใจเข้ายาวรู้วยาวไม่มีคําว่าหลับตานะแต่ว่าเราเคยชินหลับตานะหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้แล้วแต่ถนัดแต่หลับตาแล้วอย่าให้เคลิมหลับตาแล้วมันชอบหลับจริงๆอย่างแนะบบนมัสักการหลวงพ่อครับ คือเมื่อห้าเดือนที่แล้วสงกันบ้านหลวง พ, พ่อบอกว่ากดให้นิ่งๆอยู่ฮะแล้วก็หลวงพ่อให้ไปดูกายผมก็ไปเดินจงกรมแล้วก็ดูการเคลื่อนไหวไปแล้วขับรถแขนและมือขยับครับเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมรู้สึกเบาขึ้นฮะแต่สองสามเดือนแรกเนี้ยจะเห็นความหงุดหงิดความขี้โมโหตัวเองฮะตอนนี้ค่อยดีขึ้นครับถูกแล้วเพราะว่าคนที่ติดสมถะนะพอเลิกเพ่งเนี้ยจะขี้โมโหอย่างที่หลวงพ่อบอกตะเคียน เพราะมันเก็บกดมานานจิตมันถูกกดเอาไว้ให้นิ่งพอปล่อยเมื่อไหร่มันอารวาเมันนั้นนะเพราะฉะนั้นคุณก็ดูมันผ่านช่วงที่โมโหร้ายมาแล้วใครตามรู้ตามดูไปเได้แบบขอบคุณครับดีนะไม่ดื้อพวกติดสมถะชอบดื้อคนนี้ไม่ดื้อนะหลุดออกมาได้ลนะ้นำ้ำมศการหลวงพ่อครับผมเพิ่งฝึกใหม่ๆครับผมอยากจะทราบว่าที่ผมปฏิบัต ทุกวันนี้ถูกหรือเปล่าเห็นกิเลสไหมล่ะเห็นครับเห็นกิเลสบ่อยไหมก็บ่อยเหมือนกันครับเออถ้ายังเห็นกิเลสนะผ่านมาผ่านไปได้ก็ถือว่าปฏิบัติดีนะใช้ได้อันนี้หลวงพ่อตอบให้ทุกคนเลยนะบางคนก็สงสัยที่ภาวนาอยู่ใช้ได้ไหมถ้าหากเราสามารถเห็นนะกิเลสมันเกิดทั้งวันได้แสดงว่าภาวนาดีนะจะไม่ได้เพ่งเอาไว้ถ้าเพ่งเอาไว้เหมือนกับไม่มีกิเลสเลยทั้งวัน จิตนิ่งๆทื่อๆอย่างนั้นไม่ดีอ่ะไม่เกิดปัญญานะของคุณรู้สึกไม้มจิตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆใช้ได้นะแต่ว่าอย่าทิ้งการทำสมาธินะทำสมถะต้องทำเหมือนกันในรูปแบบอะบไปเดินจงกลมไปอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้ทำครับแล้วนะเพิ่มขึ้นหน่อยเพราะใจมันไม่มีแรงมันจะฟุ้งแรงรแล้วถ้าขอ อ, าอีกข้อะฮะก่อนที่ผมจะเข้าไปนั่งทาเนี่ยฮะ ผมจะพยายามทำให้เป็นธมาทีก่อนคือพุโทโธพุโทโธก่อนแต่ก็ไม่ได้ฝังไปเพอพุโทโธพอได้สติผมก็ไปดูรู้น ะ, ะอย่าจงใจนะพุโทโธไปแล้วก็คอยรู้ทันใจไปไม่ใช่ต้องพุโทโธจนนิ่งแล้วค่อยไปรู้นะพุโทโธพุโทโธแล้วใจฟุง้งซ่านแอบไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันว่าใจฟุง้งซ่านอย่างนี้ดีกว่าแล้วนะแต่ถ้ามันฟุ้งมาก ดูยังไงก็ฟุ้งไปดรืยแล้วก็พุทโธเร็วๆพุทโธพุทโธพุทโธไปพอใจสงบแล้วก็พุทโธเบาๆพุทโธช้าๆพุทโธเป็นแบ็กกราวพุทโธแล้วรู้ทันจิตไปเรื่อยนะพุทโธพุทโธแล้วก็เห็นจิตมันทํางานไปเรื่อยนะพุทโธก็คือจิตนั่นแหละพุทโธคืออะไรกราบขอบพระคุณครับกราบนมัสการหลวงพ่อนะคะหนูหัดภาวนามาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็หนูรู้สึกว่าหนู มีการพัฒนาขึ้นแต่หลังจากที่เมื่อวานนี้หนูได้ได้ฟังทางบ้านอาเรียนะคะอาจารย์สรุรวัตรอาจารย์บอกว่าถ้าเป็นไปได้ก็น่าจะให้ทางหลวงพ่อเนี่ยดูให้ด้วยว่าหนูเนี่ยมีการปฏิบัติดีขึ้นไหมแล้วระหว่างนี้หนูก็มีการปฏิบัติในรูปแบบก็คือสวดมนต์นะคะหลังจากสวดมนต์แล้วก็หนูก็นั่งสมาธิแต่ั่งสมาธิเนี่ยหนูฟุ้งมากหนูไม่แน่ใจว่าสิ่งที่หนูทําเนี่ยค่ะ ตั้งใจทำอยู่เน่ถูกหรือไม่แล้วก็ก็ถูกแล้วนะก็ดีแล้วดีกว่าไม่ทํานะเพราะฉนั้นทุกวันไหว้พระสวดมนต์ไปเห็นใจเราหนีไปหนีมามานั่งสมาธิเห็นจิตมันฟุ้งซ่านตามรู้ตามดูมันเรื่อยๆจิตที่เป็นธรรมชาติที่เหมือนเด็กนะบังคับมันไม่ได้หรอไม่ชอบถ้าบังคับแล้วมันเครียดถ้าเครียดแล้วมันจะไม่สงบจิตที่สงบเป็นสมาธิได้พระจิตมีความสุขนั่นเราต้องหาอารมณ์ที่จิตอยู่แล้วจิตสบายมาเป็นเหยื่อล่อ คล้ายๆเด็กมันซนหนีไปนอกบ้านนะเราก็เรียกมันมากินขนมที่เด็กชอบเด็กก็ไม่ไปสนนอกบ้านนะเด็กก็กลับบ้านจิตก็เหมือนการจิตชอบหนีไปเที่ยวเพราะฉะนั้นเราก็หาอารมณ์ที่จิตสบายใจนะมาล่อมันนะไม่ใช่มาบังคับมันของคุณยังบังคับอยู่นะเดี๋ยวก็จะโมโหได้แล้วอารมณ์ที่ว่านี่คือให้รู้ทันใจที่ฟุง้งซ่านใจของคุณฟุ้งซ่านเก่งนะ ให้รู้ทันใจที่ฟุง้งซ่านแล้วก็รู้ว่าใจเราไม่ชอบฟุง้งซ่านรู้อย่างนี้บ่อยๆนะเดี๋ยวมันจะสงบเองอเวลาจะทําให้จิตสงบนะมีหลายวิธีวิธีหนึ่งเนี่ยหาอารมณ์ที่จิตมีความสุขมาล่อเนะช่นอยู่กับพุทธโธมีความสุขเราก็อยู่กับพุทธโธจิตก็สงบอยู่กับลมหายใจแล้วจิตมีความสุขก็ไปอยู่กับลมหายใจแล้วจิตก็สงบนะนี่วิธีหนึ่งคือหาอารมณ์ที่มีความสุขมาล่อ อีกวิธีหนึ่งสําหรับคนซึ่งทําสมาธิยากทําไม่เป็นนะให้มีสติรู้ทันศัตรูของสมาธิสิ่งที่ทําให้จิตไม่สงบก็คือนิวรณ์ทั้งหลายการมฉันทะพายาบาทอะไรเนี้ยนะความลังเลสงสัยความฟุ้งซ่านของจิตความหดหู่อนะไรสิ่งเหล่านี้แหละถ้าเรามีสติรู้ทันนะมันจะสลายตัวไปพอมันสลายจิตไม่มีศัตรูคือไม่มีนิวรณ์นะจิตจะสงบโดยอัตโนมัติ มันมีหลายวิธีนะใช้อารมณ์ที่ดีมาล่ออารมณ์ที่มีความสุขมาล่อจิตให้จิตสงบก็ได้ใช้สติไปรู้ทันนิวรณ น, นิวรณดับไปจิตก็สงบได้มีหลายอย่างนะรวมความแล้วจิตสงบอย่างเดียวกันแหละครับขอบคุณค่ ะ, ะนึกว่าตัวเล็กนี่จะถามด้วยเออขออนุญาตถามแทนลูกสาวอะครับหลวงพ่อพอดี เมื่อเดือนที่แล้วก็พาเขามาแล้วก็เขาตั้งใจที่จะมาส่งกันบ้านหลวงพ่อแต่ไม่มีโอกาสตอนนี้ลูกสาวอายุสิบปวกกว่ า, วา เ, เขาเคยบอกกับผมกับแม่เขาว่าช่วงหลังมาเนี่ยจริงจริงก่อนหน้านี้เขาก็เห็นเขาดูในกระจกแล้วเขาเห็นเห็นอะไรก็ไม่ทราบที่ไม่ใช่ตัวเขาไม่ใช่ตัวแล้วก็บางครั้งเขาเห็นหน้าพ่อแม่ก็ไม่ใช่หน้าของพ่อแม่ นะครับเป็นหลายๆครั้งโดยเฉพาะช่วงหลังๆที่เขาฟังซีดีหลวงพ่อบ่อยเพราะว่าเวลาผมไปส่งเขาที่โรงเรียนหรือว่าขับรถไปผมก็จะเปิดฟังตลอดก็อยากจะกราบข อ, อคําชี้แนะจากหลวงพ่อช่วยช่วยดูดให้นิดนึงเด็กมันเรียนง่ายนะมันเห็นรูปรูปตัวจริงอะรูปซึ่งไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาแต่พอเห็นแล้วถ้าใจกังวลขึ้นมาให้รู้ที่ใจนะ เห็นแล้วกลัวขึ้นมาให้รู้ที่ใจนะว่าใจกลัวใจ ก, ใจกังวลนะที่สำคัญอย่าน้อมใจให้ซึมนะพยายามเคลื่อนไหวกระดุกกระดิกไว้นะอย่าให้ใจมันนิ่งใจมันซึมเกินไปพยายามรู้สึกตัวเรื่อยๆเคลื่อนไหวมากๆภานะวนาดีไม่มีปัญหาอะไรนี่แล้วที่เขาเห็นนี่เห็จริงเห็นจริงเขาเห็นรูปนะคือเขาเห็นรูปแล้วอย่างเนี้ยพวกเราเห็นอะไรเห็นมือใช่ไหะ ถ้าเด็กเห็นเด็กเห็นรูปเด็กมันดูเป็นนะรูปไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานะเขาเห็นแล้วเขากลัวมากนะครับเมื่อให้ย้อนมาดูใจที่กลัวเมื่อครั้งที่แล้วตอนที่เขาขอคำชี้แนะจากแม่ชีนุชเนี่ยตอนนี้ไม่กลัวเท่าไหร่แล้วครับหายแล้วตอนนี้เขามีความเข้าใจมากขึ้นดูมันไปหน้าโลกจริงๆเปอย่างนั้นอ่ะแต่เราก็เข้าใจมันนะ เรียนรู้มันไปน้าแล้วก็รู้ทันใจของเราใจกลัวขึ้นมารู้ทันใจเป็นยังไงคอยรู้ทันบ่อยๆนะพอนาเก่งนันเด็กเนี้ยเดนี้ตื่นมาเต็มที่เลยที่ผมสงสัยอยากจะกราบเรียนถามเพิ่มเติมตรงที่เท่าที่สอบถามจากเขานะครับเขาบอกว่าเขาเคยเห็นรูปก่อนที่ที่ที่จะฟังซีดีหลวงพ่อเพียงแต่ว่าผมเริ่มเริ่มศึกษาเริ่มภาวนาตาม ตามแนวทางของพ่อมาประมาณเกือบเกือบปีนะครับอที่สงสัยก็เพราะว่าเป็นไปได้แหละครับที่เขาไม่เรียนไม่ทราบเรื่องการภาวานาเป็นไปได้นะแต่ว่าเขาเห็นแล้วแต่จะไม่เข้าใจแล้วก็ไม่รู้ว่ามันมีประโยชน์อะไรไม่เข้าใจการภาวานาที่พวกเรามาถึงวันนี้ได้เนี่ยไม่ใช่ชาติแรกที่ทําหรอกคนไหนสั่งสมอบรมมาแล้วเนี่ยตั้งแต่เล็กๆนะั้นมันจะกลับมาะ อย่างคนที่เคยจเจริญสตนะิจนจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเนี่ยเวลาเห็นรูปนะันจะเห็นรูปไม่ใช่ตัวเรานะจะเห็นเองหรือคนไหนฝึกดูจิตดูใจมาชํานาญแต่ชาติก่อนๆนะพอชาตินี้พอจิตมากระทบอารมณ์แรงๆตั้งแต่เด็กๆเนี่ยจิตจะตื่นขึ้นมานะเป็นเรื่องปกตินะเขาอยากจะขอกันบ้านจากหลวงพ่อเพียก็ไม่กล้าถามให้รู้ทันใจอย่าให้ใจมันซึมๆ ม, มนิ่ง นะไปวิ่งเล่นบ้างนะไปเล่นกับเพื่อนบ้างแล้วก็เห็นหุ่นยนต์มันวิ่งไปวิ่งมานะขอญอาตถามาสำหรับตัวเองหนึ่งข้อนะครับหลวงพ่อผมภาวนามาแล้วรู้สึกรู้สึกว่าเบื่อนะครับแล้วก็เห็นอะไรหลายๆอย่างเห็นสิ่งรอบตัว เ, <อ>เป็นเป็นเป็นอะไรที่น่าเบื่อแล้วก็จืดผมไม่ทราบว่ามันเบื่อเพราะว่า มีปัญญามันเบื่ อ, พ ร, ญญอพราะปัญญามันเบื่อเพราะปัญญานะมันเริ่มเห็นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนะหาสาระไม่ได้เลยแต่ว่าจะหนีไปก็ไม่ได้นะเพราะไปไหนไม่เอากายเอาใจไปด้วยก็เอาเบื่อไปด้วยให้รู้ลงปัจจุบันไปเวลาภาวนาความจริงถูกต้องแล้วมันจะเบื่อเบื่อแล้วก็มีสติรู้ทันนะใจเป็นกลางขึ้นมาตามรู้ตามดูไปอีกภาวนาดีนะทั้งพ่อทั้งลูกเลยขอบพระคุณครับ นวมส ก, การพระอาจารย์ค่ะคือจะขอคําแนะนําพระอาจารย์ว่าดูจะพักความวิตกกันค่ะแล้วอีกคําถามนะก็คือว่าอยากขอคําแนะนําที่เหมาะสมในเรื่องของวิหารธรรมที่เหมาะกับเหมาะสมกับว่าหลวงค่ะเราเป็นคนใจร้อนนะเพราะเราดูจิต ด, ดูใจที่มันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเลยรู้สึกไหมอารมณ์ของเรามันเบี่ยงขึ้นเบี่ยงลงไปเรื่อยๆนะนั่นแหละดูไป เห็นแต่อารมณ์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์นะเดี๋ยวก็หงุดหญนะงิดอะไรเงี้ยไหลมาไหลไปเดี๋ยวก็หงุดหงิดอีกเพอมีสติรู้ความหงุดหงิดหายไปอีกสักพักก็ามาอีกอนะไรเงี้ยะเฝ้ารู้อยู่อย่างนี้บ่อยๆในที่สุดปัญญามันเกิดมันจะเห็นเลยทุกอย่างผ่านมาแล้วผ่านไปทุกอย่างเป็นของถูกรู้ถูกดูทุกอย่างไม่ใช่ตัวเราหรอกนะคะของคุณทําในรูปแบบด้วยนะ <Okay. S 2> พยายามไปอดทนเดินจงกรมเห็นร่างกายมันเดินไปอะไรเงี้ยถึงวันหนึ่ง ใจมันมีเรี่ยวมีแรงขึ้นมามีผู้หญิงคนหนึ่งนะไปเรียนกับหลวงพ่อเมื่อหลายเดือนแล้วมาเดินพฤศจิกาะไปเรียนแล้วมาถามหลวงพ่อว่าที่ภาวนาอยู่เป็นยังไงหลวงพ่อก็บอกว่าภาวนาก็กรูหลักอยู่แล้วนี่ภาวนาก็ใช้ได้อยู่แล้วแล้วก็เงียบๆนะไม่พูดต่อแล้วแล้วก็ถามหลวงพ่อว่าเขาขาดวินัยในการปฏิบัติใช่ไหมบอกว่าใช่ตั้งแต่นั้นนะัดเดินจงกรมทุกวันเลย คนนี้งานเยอะนะดูแลบ้านดูแลครอบครัวดูแลลูกดูแลสามีนะงานเยอะมากเลยพอดูแลเสร็จแล้วก็ไปทํางานดูแลบริษัทอีกห้าบริษัทกลับมาถึงบ้านนะกว่าจะได้มีเวลาส่วนตัวนี่ห้าทุมนะท่มะห้าทุ่มถ้าเป็นพวกเราทํางานมาตั้งแต่เช้ามืดยันห้าทุม่มเราก็มีข้ออ้างแล้วใช่ไหมขอนอนนี่คนนี้ฮึดสู้นะลุกขึ้นเดินจงกรม ยังไม่นอนนะเดินจงกลมไปชั่วโมงกว่าเที่ยงคืนหมดเรี่ยวหมดแรงไปนอนนอนไปตื่นหนึ่งนะก็ลุกขึ้นมาเดินอีกเนีย่ยเขาฝึกของเขามาอย่างนี้ด้วยความยากลําบากนะแต่ว่าไม่ท้อถอยเลยะก็ฝึกจนกระทั่งวันหนึ่งใจมันเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างใจมันถอดถอนตัวเองออกเราให้ฝึกเอาใช้เวลาเราเราเจ็ดเดือนเองเพราเราอยา่าขนะี้เกียจเนาะแล้วเราอย่าอ้างว่างานเยอะ งานทั้งหลายที่เราทําอยู่ทุกวันเนี้ยเพื่อจะอาศัยอยู่ในโลกช่วครั้งช่วคราวงานในธรรมะนะข้ามภพขําชาติดูไเด็กเนี่ยเห็นไหมเด็กนี้เห็นรูปตั้งแต่เล็กๆยังไม่เคยฟังทำก็รู้จักรูปแนละแต่ว่าไม่รู้ชื่อเหมือนเท่านั้นเองขอบคุณค่ะคนที่เคยทํานั้นทําง่ายค่ะค่าได้ล่วงเกินหลวงพ่อก็ขออโหสิกรรมด้วยนะคะ อ, อโหสิทุกคนเลยนะไม่ต้องขอทีละคนอนะ่ะวิหารธรรมที่เหมาะสมของ ตัวหนูคือร่างกายร่างกายอะคะ่ะดู ก, กายบ่อยๆอย่าทิ้งร่างกายนะดู ก, กายบ่อยๆเ อ, อร่างกายยืนเดินนั่งนอนคยรู้สึกเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันจะเห็นจิตชัดกว่านี้สภาวะจิตเป็นยังไงคะตอนเนี้ยตอบหลวงพ่อสิจิตเป็นยังไงบอกก่อนคิดไม่ดีอะคะ่ะไม่ดีไม่พอใจดออกไหมเห็นไ้ยไม่พอใจที่ไม่ดีให้รู้ตรงที่ไม่พอใจนะไม่ใช่รู้แค่มันไม่ดีนะ เวลาที่เราไปรู้สภาวะใดๆแล้วเนี่ยจิตยินดีขึ้นมาเรารู้ทันจิตยินร้ายขึ้นมาเรารู้ทันขอบคุณนะพยายามไปทําในรูปแบบบ้างนะทํางานบ้านอะไรเงี้ยเคลื่อนไหวแล้วมันจะเห็นจิตชัดกว่านี้จิตมีปัญหาในขณะ น, นี้คือจิตไม่เป็นกลางไปดูแต่เนี้ยจิตไม่เป็นกลางคือยังไงคะใช่เวลาเห็นสภาวะแล้วก็ยังยินดียินร้ายกับสภาวะอยู่นะอย่างเช่นรู้สึกว่าตอนนี้จิตไม่ดีเนี่ยไม่ชอบมัน เออเนี่ยตัวไม่ชอบเนี่ยเรียกว่ายินร้ายนะเห็นไหมเราถูกความไม่ชอบครอบงำจิตแล้วมันย้อมจิตได้เห็นไหมถ้าดูจิตแต่ตรงนี้านะแรงไม่พอพยายามเคลื่อนไหวร่างกายไหมแล้วเวลานั่งอยู่บนรถรถตูออ้ไยเงี้ยใช่ไหมคะก็แบบพะรู้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะทาอะไรต่ออะค่ะนั่งขยับมือเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวไปนะหลวงพ่อแต่ก่อนก็ทำนะ นานเรื่อยเลยเราเดินจงกรมจนขาเราฉิงแล้วเดินไม่ไหวแล้วขยับมื อ, อขยับขยับมากเมื่อยนะเหลือแค่นิ่งแค่นี้ก็เอานะมือนี้เมื่อยมามือนี้เอามันทุกรูปแบบเลยบางทีนะถึงขนาดร้อนเต็มทีแล้วนะเอาพัดมาอหนึ่งพัดพัดลมก็มีนะแต่ว่าปิดพัดลมแล้วก็พัดแล้วก็รู้สึกเอารู้สึกเอาไม่จริงกายหรอกนะของคุณเนี้ยไปดูจิตรวดไปเลยตอนเนี้ดูไม่ไหวหรอกอารมณ์มันครอบงําจิตง่าย ไปรู้ร่างกายบ่อยๆเคลื่อนไหวบ่อยๆอย่าให้อารมณ์ครอบงําจิตนะอันนี้นอกเรื่องนิดนึงนะคะคืออะไรนะคือนอกเรื่องนิดนึงค่ะคือตอนนี้ตกงานอยู่อยากรู้ว่างานที่เหมาะสมคืองานอะไรนะคะงานอะไรก็ได้นะที่สุจริตไม่ต้องเรื่องงานหรอกนะเราจะได้งานประมาณเมื่อไหร่พอจะบอกได้ไหม <c oughs> มันอยู่ที่เราจะทําเมื่อไหร่เ <c oughs> <c oughs> มื่อวานก็มีนะคนไปที่วัดนะก็มาเล่าว่าตกงานเคยทําธุรกิจเลย เดี๋ยวนี้ไปยืนขายของเนะ่ยแกทำได้นะไปยืนขายของแล้วแกก็ยืนดูใจของแกไปเลยนะคือถ้าเราไม่เลือกนะทำไปพออยู่พอกินอะไรเนี่ยไม่ถึงก็อดหรอกแล้วก็ทำเอานะขอกันบ้านค่ะโอ้แค่นี้ก็เยอะแล้วขอบคุณค่ะการาบธรรมสการนอาจารย์ค่ะคือได้ฟังซีดีของหลวงพ่อประมาณหนึ่งเดือนอะ น, นะฮะแล้วก็ฝึกปฏิบัติ แต่ทีนี้เหมือนยังกับมันไม่ค่อยมีกิเลสแล้วก็เลยไปดูกายดูกายก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทาไมเหมือนยังกะเราจะนํากายซะ ก, ก่อนรู้สึกแหมว่าสงสัยใช่ค่ะสงสัยก็กิเลสนะเอะอใจมันสงสัยขึ้นมารู้ว่าสงสัยรู้ทันความปรุงแต่งของใจไปถ้าไม่มีกิเลสก็ดูความรู้สึกต่างๆก็ได้รู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยๆแต่ถ้าเราอยู่ๆเราจงใจไปดูเนี่ยจะไม่มีอะไรให้ดูมันจะนิ่งจะว่าง นะของโยมยังมีความจงใจดูนะมันก็เลยว่างๆไป<ะ>อย่าไปจงใจดู<ะ>ออกมากระทบอารมณ์บ่อยๆตามองเห็นรูปความรู้สึกเกิดที่จิตรู้ทันหูได้ยินเสียงแล้วความรู้สึกมาเกิดที่จิตก็ค่อยรู้ทันอย่าจ้องอยู่ที่จิตก่อนแล้วจะจ้องอยู่ที่จิตแล้วจะไม่มีอะไรให้ดูแล้วอย่างนี้บางทีชอบคิดแต่ถึงหน้าคนนะค ะ, ะนะเห็นแต่หน้าคนคิดถึงคนอย่างนี้ เ, ออเห็นไหมจิตมันคิดได้เอง เนี่ยสัญญามันผุดขึ้นมาเห็นหน้าคนโน้นคนนี้จิตมันทํางานไปสังเกตไหมเวลาจิตมันเห็นหน้าคนนี้ขึ้นมาความรู้สึกเป็นอย่างหนึ่งเห็นอีกคนหนึ่งความรู้สึกเป็นอย่างหนึ่งก็ได้นะบางทีคนก็ไม่ใช่คนที่เรารู้จักด้วยนะะท่านเออไม่เป็นไรบางทีผีก็โปลมาให้ดูนะไม่แปลกอะไรหรนะอก ค, ค่ะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะอะไรเกิดขึ้นนะก็รู้ทันที่ใจแต่อย่าไปจ้องอยู่ที่จิตก่อนจะกลายเป็นการเพร่งจิตเพ่งจิตใช้ไม่ได้นะอ่ะต่อไป นมัสการเจ้าค่ะคือตอนนี้ค่ะจิตไม่ถึงฐานแล้วก็รู้อยู่นอกๆถูกไหมคะโอ้ถูกเป๊ะเลยเก่งเออมันเป็นอย่างนี้น ม, มานานแล้วคะ่ะเห็นไหมเห็นไหมว่าดีใจเห็นไหมเออรู้ทันลงไปว่าดีใจหลวงพ่อครับที่มันเป็นอย่างนี้หนูเขา้าใจว่าหนูไม่ได้ทําในรูปแบบเพราะทิ้งมาเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูทําในรูปแบบอย่างที่หลวงพ่อพูดเลยมันติดเคอร์ามาค่ะหนูเลิกทําก็เลย ได้แบบนี้มาค่ะคือรู้อยู่ข้งนกเลิ ก, ลกเกนะ่ยเลิกชั่วคราวไม่เลิกตลอดหรอกนะถึงวันนึงก็ต้องกลับมาทําในรูปแบบถ้าจเจริญสติในชีวิตประจําวันรวดไปเลยใจไม่พอไม่มีแรงพอใจไม่พอไม่มีแรงมันจะเป็นอย่างที่เป็นนี่แหละแต่ตอนหนูทํานะคะหลวงพ่อหนูมีความรู้สึกว่าอย่างหนูจะเกิดอาการง่วงบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูเห็นว่าจิตหนูว่ามันดับมันไฟตกอย่างเงี้ยนะคะออหนูก็ช่างมันเถอะเพราะมันเรื่องเล็กมันเหมือนไฟตกก็ช่างมันพอหนูกลับไปทําในรูปแบบอะคะ่ะ ทีนี้มันทั้งข้างนอกและข้างในกายหนูก็ดับด้วยอะค่ะสมมุติว่าหนูรู้สึกว่าง่วงอหนูยืนอยู่กําลังจับลูกปีดอยู่มันล้มไปทั้งทั้งคู่เลยอย่างเงี้ยค่ ะ, ะยืนอยู่ก็ล้มเหรอคือมันมันเหมือนกับว่าดับยาวกว่าทุกที อ, อย่างเงี้ยค่ะเคลื่อนเคลืล่อ น, นไหวไหมนะกระดูกกระดิกไว้อย่าให้อยู่นิ่งแม้กระทั่งหนูพูดโทรศัพท์อยู่หนูรู้สึกว่าหนูง่วงปั๊บหนุนหลับไปเลยอะค่ะจิตมันติดในความสงบมันน้อมเข้าหาความสงบลูกเดียวเลยช่วงเนี้ย ถ้าอย่างนี้หนูต้องเลิกทําในรูปแบบใช่ไหมคะกระตุ้นความรู้สึกตัวเองให้เข้มข้นหน่อยนะแล้วไปทํางานเขอย่าทํางานซ้ำซาก อ, อย่างไปเดินจงกรมซ้ํากอย่างนี้เดี๋ยวหลับไปทํางานไม่ซ้ำํำซากนะเช่นกวาดบ้านบ้างถูบ้านบ้างซักผ้าบ้างเคลื่อนไหวแล้วที่มันง่วงอยู่ตลอดแล้วหนังตาหนูมันหนักอยู่ตลอดนี่ก็เกิดจากอาการนี้ใช่ไหมคะใช่เกิดจากใจที่มันน้อมเข้าหาความสงบก็คือตอนนี้หนูไม่ควรทําในรูปแบบใช่ไหมเจ้าคะ ไปเคลื่อนไหวไว้ให้เยอะๆน ะ, ะการที่เราเคลื่อนไหวเห็นร่างกายทํางานไปเรื่อยๆนี่ก็คือการทําในรูปแบบอย่างหนึ่งนะค่ะแต่งานที่หูดู ท, <ำ>ที่กายไปตอนนี้หนูรู้สึกเลยว่าหนูไม่รู้อะไรเลยอะค่ะมันเหมือนกับว่ามันเรียกว่าตุปัดตุเป๋เลยอะค่ะเหมือนดูไ ม, ไม่ได้เลยไม่มีอะไรทํานะพุทโธไว้ก็ได้อย่างน้อยให้เหลือพุทโธไว้อ่นหนึ่งก็ได้พุทโธพุทโธพุทโธนะ หรือพุทโธทำโมสังโฆพอพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆแล้วพอใจมันจะเคริบแล้วก็เปลี่ยนเป็นพุทโธทำโมสังโฆอะไรเงี้ยนะพอมันสงบมันรู้ตัวขึ้นมาแล้วก็มาพุทโธต่อไปมันต้องมีเครื่องอยู่ไว้อันหนึง่งอย่าให้ขาดสติคือหนูเคยใช้เครื่องอยู่โดยการกระพิตตาอย่างเงี้ยค่ะได้ไมกริตตาไม่เดือดเมื่อย <c oughs> ตายเลยเดี๋ยวก็เวียนหัวงั้นก็ต้องทํางานอย่างที่หลวงพ่อพูดนะคะเรารู้ตัวแล้วมันจะกลับมาเหมือนเดิมใช่ไหมเจ้าค่ะเดี๋ยวมันมีแรงพอมันจะตื่นขึ้นมา แต่ น, นี่แรงไม่มีนะค่ะนมัสชาการเจ้าค่ะหลวงพออ่อฝึกมาประมาณสองเดือนนะคะแล้วก็กรรมฐานที่ทำอยู่ก็คือพุโทโธแล้วก็วางจิตไว้ที่หน้านะคะมันะจะมีนะวางจิตเอาไว้ที่บริเวณหน้านะคะ่ะไปวางมันทำไมล่ะไม่ไม่ควรวางใช่ไหมคะเดี๋ยวหน้าเราตึงเกินไปก็คือมันมันก็เลยจะตึงเวลาที่เออนั่นแหละมันตึงเห็นไหมมันมันตึงเวลา เ อ, อ่อชีวิตประจําวันมันมันก็จะเป็นเวลาที่รู้ปับกับมันก็เหมือนกับว่าจะรู้ตัวรู้ตัวทั้งหมดนะคะมันรู้ตัวไหมตรงนี้ไม่ใช่รู้ตัวทั่วพร้อมคือเพ่งหรือเปล่าอันนี้เป็นการเพ่งทั้งตัว<อ>นะรู้ตัวทั่วพร้อมใจเป็นธรรมชาติธรรมดาแต่ใจตรงนี้ไม่ไม่ธรรมดานะมันตึงที่หน้าตอนนี้ก็ก็เป็นอยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ไปจงใจเพง่งแต่มันก็ลื ม, ล, มลืมเรื่องปฏิบัติตไปนะออกไปเดินเล่นบ้างไปชอปปิ้งไปอะไรเงี้ยนะ แล้วกระทบอารมณ์พอกระทบอารมณ์แล้วใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงแล้วคอยรู้เอาที่ทาที่ทำมันไปติดนิ่งไปติดนิ่งจริงๆเราควรจะจะขยับตัวรูกายมากกว่าดูจิตใช่ไหมคะอขยับไว้ก่อนตอนนี้คือพอเวลาที่เห็นโกรธแล้วเนี่ยมันมันมันไม่หายค่ะเหมือนมันไม่เป็นกลางหรือเปล่าไม่เป็นกลางค่ะอย่าไปเพ่งไว้นะเพ่งไว้หลายปีไปเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยไหมหลวงพ่อเหนื่อยแทนเลย รคุณแต่ดีอย่างเดียว <c oughs> น่าจะไม่เหี่ยวนี่ <c oughs> ไปเรื่อยๆนะคร <c oughs> ับกลับนมสการหลวงพ่อครับผมขอส่งการบ้านในรอบสามไตมานนะครับคือกท็ที่ผ่านมาก็มีมีมีฉันทามากขึ้นนะครับห ล, หลังจากนี้ก็คือสามเดือนหลังนี่รู้สึกจะดีกว่าปีที่แล้วนะครับก็ดูๆตัวเองไปก็เริ่มสงสัยเรื่องความรู้สึกตัวเนี่ย เหมือนมันจะมีสามระดับนะครับระดับแรกคือเบาๆแบบเวลาเดินจงกรมไปแล้วมองมองดูร่างกายมันจะรู้สึกกายอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็จิตที่คิดนึกปรุงแต่งอยู่ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มีจิตดวงนึงไปรู้ในระหว่างเดินจงกรมนะครับอนี่แบบที่หนึ่งนะครับแบบที่สองก็คือแบบเผลอๆไปแล้วรู้สึกอันนี้ก็เป็นปกติที่หลวงพ่อสอนนะครับอีกแบบหนึ่งที่เกิดกับผมเองคือ นั่ ง, งๆเผลออยู่นี่ก็เหมือนมั น, ม, นมีอะไรไหวๆวบื้ขึ้นมาเหมือนจิตกระเพื่มนะครับจิตกระเพื่มแล้วกายมันกระเพื่มด้วยไม่รู้ว่าเป็นอาการสมรถะหรือว่าเป็นการรู้จริงๆนะครับเป็นอย่างนั้นแหละถูกทุกอันเลยอ๋อแลครับเป็นยังไงก็ได้นะอยู่ที่ว่ามีสติรู้ทันด้วยใจที่เป็นกลาง อ, อันนี้ผมรู้อย่างถูกต้องหรือยังครับสังเกตไหมลองย้อนมาดูจิตเห็นมันเข้ามาไม่ถึงจิตหรอกดูออกไหม จิตไม่ถึงฐานนะจิตไม่มีแรับจิตไปอยู่ข้างนอกจิตไปอยู่ข้างหน้ารู้สึกไหมมันไม่ย้อนเข้ามาที่ตัวเองอ๋อนี้ต้องไปทําสมถะเพิ่มหรือเปล่าไปพุทโธพุทโธไปก็ได้ถ้าจิตสงบมาผมก็ตั้งมั่นขึ้นมาเรากาลังจะถามว่าผมเหมาะกับวิหารธรรมแบบไหนนะครับดูจิตได้นะแต่ทําสมถะบ้างอ๋อครับสมถะที่ทําอยู่ก็คือเดินจงกรมนะครับเมื่อก่อนก่อนที่ภาวนาเป็นก็คือนั่งสมาธิจิตรวมได้บ้างแต่ว่าพอ รู้สึกตัวเป็นแล้วมันไม่ไม่รวมเลยครับเออมันไม่รวมง่ายเวลารวมก็รวมไม่นานนะครับแล้วก็นั่งไปแหละรวมไม่รวมก็นั่งไปทุกวันนะครับนั่งแล้วมันได้แรงครับสุดท้ายก็ขอขอกันบ้านนะครับโอ้ไปดูเท่านี้ก็เยอะแล้วนะคือมีสติรู้กายรู้ใจก็เต็มที่แล้วครับแล้วก็ถึงเวลาก็ทำความสงบเข้ามาให้ใจมีเรียวมีแรงครับกลับขอบคุณครับ กมฐ า, าเราไม่จริงนะบางคนหลวงพ่อให้เว้นการทํำสมถะก่อนเนี่ยเพราะไปติดมิจฉาสมาธิพ อ, อมไม่ติดไม่ติดเพ่งจนเครียดหรือไม่ติดเคลิ้มไปแล้วนะมาเจริญสติแล้วถึงช่วงหนึ่งก็ต้องทําความสงบเข้ามาบ้างถ้าใจไม่ได้พักเลยใจไม่มีแรงหรอก อ, อน้ำมศการหลวงพ่อครับก็คือฝึกปัจจุบันก็คือดูกายกับดูจิตควบคู่กันไปอะครับ ทีนี้หลวงพ่อเคยบอกว่าเคยติดประคองอยู่นิดนึงครับตอนนี้ยังประคองอยู่หรือเปล่าครับตอบหลวงพ่อสิประคองไหอยหู่หน่อยนึงครับนีนิดหน่อน้อยนะไม่มากอะออตอนนี้มันไปน้อมใจให้นิง่งให้ซึมมากกว่า ร, รู้สึกไหมไปน้อมให้มันเรียบร้อยอะ่ะารู้ทันเราใช้ได้แล้วล่ะครับแล้วอย่างนี้ต้องขอการบ้านเพิ่มด้วยครับถึงเวลาก็ถึงเวลาก็แบ่งเวลาไว้ปฏิบัติในรูปแบบด้วยนะ พือเจริญสติในชีวิตประจำวันนี้สำคัญที่สุดนะแต่การทำในรูปแบบมันทำให้เรามีกำลังนีอยู่อยู่ในร่องเรยลอยอยู่ใช่ไหมครับตอยนี้ขอบคุณครับกราบน้ำระสการหลวงพ่อนะครับก็ปฏิบัติมาได้ประมาณสี่ถึงห้าเดือนนะครับผมก็รู้สึกว่ากิเลสตัวที่เห็นนี่บ่อยทอยี่เป็นจิตที่มีโมหะฮะแล้วก็บางทีก็ไประลึกรู้กายอย่างเงี้ยครับลว<ม>อ อยากทราบว่าผมนี่เป็นจริตประเภทไหนครับดูได้ละดูได้ทั้งคู่ดูไปอ๋อสติระลึกรู้กายก็รู้ไปสติระลึกรู้จิตก็รู้ไปสายกายสายจิตเนี่ยมันเป็นแค่ตอนจุดเริ่มต้นเท่านั้นเองเพื่อฝึกให้มีสติบางคนดูกายแล้วเกิดสติบางคนดูจิตแล้วเกิดสติแต่พอเกิดสติแล้วไม่มีแล้วนะเดี๋ยวมันก็รู้กายเดี๋ยวมันก็รู้จิตไม่รู้อนเดียวหรอกครับผมของคุณรู้สึกไหมเดี๋ยวมันก็รู้กายเดี๋ยวมันก็รู้จิตใช่ครับเป็นอย่างนั้นแหละ แต่เวลามันรู้กายสังเกตไหมถ้ารู้ด้วยใจตั้งมั่นมันจะเห็นเลยรตั้งกายไม่ใช่ตัวเรามีบ้างครับเป็นแว๊บๆเห็นไหมเวลาดูจิตอะเห็นไหมกิเลสกุศลอกุศล น, ล น, ลนัเป็นสิ่งแปลกปลอมมาไม่ใช่เราเหรอกใช่ครับน่าฝึกไปด้วย <c oughs> ดีลครับขอบคุณครับโยมพอนากันเก่งๆขึ้นเยอะเลยนะช่วงหลังๆนวัตการหลวงพ่อครับ เมื่อกี้ตั้งใจว่าจะขอขมาหลวงพ่อขอหลวงพ่อให้อภัยแล้วก็รู้สึกผายใจผายหลวงพ่อแม่ไม่ถือโทษใครสินะอภัยทั่วโลกเลยครับอภัยทุกวันด้วยนะไม่ต้องขออว่าไงอีกที่ผมภาวนาอยู่เนี่ยครับอยขณะนี้เรียกว่าเพ่งอยู่ใช่ป่ะครับหรือเพ่งอยู่แต่ว่าใจมันเริ่มตื่นแล้วล่ะรู้สึกไหมมันเหมือนเราตื่นขึ้นมาจริง ใจเราเริ่มเป็นผู้รู้ผู้ตื่นแต่เพียงแต่ว่าขนาดนี้ตื่นเต้นก็งเลยเพ่งไว้กนะันเล็ก น, น, น, น่อยภาวนาใช้ได้นะคุณอ่ะต อ, อนนี้ที่ผมฝึกตามแบบครับไม่ทราบว่าถูกจริตกับผมหรือยังครั บ, ค, รบคือเช็คลมหายใจไปคะแต่ว่าไม่ได้เพ่งลมหายใจนะดูถูกต้องแล้วจิตมันถือได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาคุณรู้หรไหมมันต่างกับตะกอนยังไง เห็น <He> ไหมแต่ก่อนกรมรมฐาน ina, ที่ทําแต่ก่อนนะจิตมันเข้าไปเกาะลมไวนะ้แล้วมันก็นิ่งอยู่งั้นแหะก็มีอยู่เท่านั้นเองตอนนี้พอเราไม่เกาะลมนะเราเห็นร่างกายหายใจนะเราเห็นรานกายนี้ไม่ใช่เราบางทีก็เห็นจิตทํางานนะเห็นใจรักษอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่เห็นใจรักแล้วนะมันไม่ขึ้นวิปัสสนาแท h ้ๆหรอกคาพบข้ามชาติไม่ได้จริงต้องขอเดี๋ยววันนี้ขอคุณหลวงพ่อด้วยนะครับจากเนื้อสัตวพ่อจ้ะค่ะ หลวงพ่อคะหนูมีความทุกเกี่ยวกับเรื่องตัวสงสัยมาหลายเดือนอแล้วค่ะเือว่าหนูมีแต่ว่าสงสัยว่านี่ถูกหรือผิด อ, อยู่แต่ตลอดเลยค่ะแล้วก็ให้รู้ไปสิว่าจิตสงสัยมันก็ไม่ได้คําตอบว่าถูกหรือผิดนะคะอยากได้คําตอบหรือใช่ค่ะรู้ไหมว่าอยาก <c oughs> คืออย่างนี้ <c oughs> การภาวนาเนี่ยนะเราไม่ได้มุ่งเอาความรู้ความฉลาดนะ เรมุ่งอย่างเดียวอะมุ่งให้เห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาเรามุ่งตรงนี้นะเพราะพระโสดาบันเนี่ยท่านเห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาเราไม่ได้มุ่งเอาความรู้ความฉลาดพอสงสัยก็ต้องคิดไปหาคําตอบได้คําตอบแล้วก็ต้องจับมาไว้ไม่ได้ต้องการอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแค่ความสงสัยเกิดขึ้นเรารู้สึกลงไปแล้วก็เห็นความสงสัยเกิดแล้วก็ดับเช่นเดียวกับสภาวะอื่นๆต้องการเรียนแค่นี้เอง ไม่ต้องการว่าสงสัยแล้วต้องไปหาคําตอบได้คําตอบมาแล้วก็อิ่มอกอิ่มใจว่ารู้ธรรมะไม่ใช่เลยนะเพราะฉั้นคุณแค่เห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาอันนี้ล่ละคุณปฏิบัติถูกแล้วฝึกเท่านี้พอไม่ต้องฉลาดหรอกครูบาอาจารย์เคยสอนมาเรื่อยๆนะว่าฝึกโง่ๆไว้หน้ารู้ซื่อๆไว้หน้าเนี่ยบางองศ์สอนบอกให้รู้ซื่อๆอยังไองก็อยากรู้อีก ให้พหลวงพ่อ อ, <ข> อ, อยา ก, อ, กอยากรู้เรื่องอะไรว่ามาอยากว่ารู้ว่าหนูเนี่ยที่ตามรู้ตามดูเนี้ยถูกหรือเปล่าหรือรู้แบบโลกโลกอยู่คะดูไม่ถูกหรอกมันโล่งไปรู้สึกไหมเราน้ําใจเราให้ผิดธรรมชาติรู้สึกไหมใจเราเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนใจของเราตอนที่ยังภาวนามไม่เป็นใช่ใช่ค่ะใจที่ดีที่สุดนะคือใจของคนที่ภาวนามไม่เป็นนั่นแหละ ใจของคนภาวนาไม่เป็นเนี่ยเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาใจของคนที่ภาวนาแล้วก็พลาดไปเกาะความนิ่งๆเนี่ยเหมือนคงที่มันคงที่มันโล่งมันว่างนะมันลอยๆรู้สึกไหมมันเลื่อนลอยเบาๆบาลอยๆนะไม่เอาเลยลองย้อนกลับไปนึกถึงจิตใจสมัยที่ยังภาวนาไม่เป็นอะ่ะจิตใจสมัยเด็กๆสมัยอะไรที่ภาวนาไม่เป็นรู้สึกไหมจิตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทั้งวัน เพียงแต่ว่าผู้ภาวนาต่างกับเด็กตรงไหนเด็กนั้นจิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาตินะแต่เด็กไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นผู้ปฏิบัติเนี่ยจิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติแล้วมีสติตามรู้ไปเรื่อยๆต้องการแค่นี้เองจิตคุณขณะนี้กะตะกี้ก็ไม่เหมือนกันนึกออกไหม<ช>จิตสอนนี้มันเริ่มถอนออกมาจากสภาวะนั้นลนะนะมันเริ่มเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกไหมอย่าน้อมกลับเข้าไปที่นั้นนะ่ะสงสยัย ใช่ค่ะก็มีแต่เนี่ยตัวนี้เป็นตัวอุปสรรคมากเลยค่ะตัวสงสัยดีดีที่สงสัยนะตัวนี้จําเป็นที่ต้องสงสัยเพราะจิตติดติดในอารมณ์ที่เราสร้างขึ้นอารมณ์เบาๆเคลิ้มๆเบาๆเนี่ยตัวนี้ติดอยู่ไม่ดีเลยเพราะงั้นสงสัยแล้วมาถามหลวงพ่อเนี่ยเรื่องนี้จําเป็นที่จะต้องถามนะจิตแอบไปคิดอีกแล้วรู้สึกไหมค่ะสงสัยตลอดเวลารู้สึกไหมใช่ค่ะทุกมากค่ะ พวสงสัยมากนะให้คอยรู้เอาต้องกล้าหานพอที่จะโง่สงสัยแล้วก็แค่รู้ว่าสงสัยไม่ต้องกล้าหานพอนะจิตสงสัยรู้ว่าสงสัยไม่ต้องสงสัยอะไรมากและรู้ทันมันลงไปทุกอย่างเกิดแล้วดับความสงสัยเกิดแล้วดับความสงสัยเกิดแล้วดับระวังอันเดียวอย่าประคองใจให้ซึมให้นิ่งให้เฉย นะใช่คำอู่นี้จะมัวมัวเฉยเฉยเออนั่นแหละตัวนั้นไม่เอาหลวงปู่ ม, มั่นสอนนะว่าระวังอย่าให้จิตไปติดเฉยนะให้จิตมันเคลื่อนไหวไว้อย่าให้มันเฉยหมดยังขอบคุณค่ะอีกห้าเหรอกรรมนัมัสการครับคือว่าตอนนี้ผมอยากรู้ว่าผมภาวนาถูกต้องตามหลักหรื อ, อยังครับเห็นกิเลสไหมล่ะกิเลสเกิดบ่อยไหมก็บ่อยครับเห็นกิเลสตัวไหนบ่อย คือว่าเวลาตอนเช้าผมลงมาจากห้องนอนครับแล้วมาเจอคอมพิวเตอร์แล้วมันรู้สึกอยากเล่นเกมอะครับเออนะอย่างที่ใช้ได้นะแล้วเราเล่ น, นไหมตกลงแล้วเล่นป่ะก็ถ้าเป็นวันวันเรียนผมไม่ได้เล่นแต่ว่าถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยครับมันอิสระแล้วผมจะเล่นไม่เล่นก็ได้แต่ทีนี้ผมอยากจะเลิกแล้วผมเห็นคอมพิวเตอร์แล้วมันรู้สึกกระแทกใจมากเลยเหรอ <c oughs> นั่นแหละเราดูใจของเรานะแล้ว ผมจะแก้มันอย่างไรดีครับเราใจแข็งๆนะอย่าไปเล่นมัน oh. นะ uh huh. เล่นนานๆเล่นทีหนึ่งอย uh ่างเงี้ยอย่าไปเล่นทุกวันนะ uh huh. เล่นแล้วเสียเวลาเล่นคอมพิวเตอร์หลวงพ่อไม่เคยเห็นใครมีสติได้สักคนเลยเพราะคอมพิวเตอร์เกมเนี้ยมันดึงดูดมันต้องตื่นตัวตลอดเวลาจ้องจ้องจ้องเข้าไปนะ uh huh. เห็นดูเด็กที่มันไปอยู่ตามร้านคอมพิวเตอร์เวลาผ่านหน้าร้านเห็นเหมือนคนบ้าทั้งนั้นเลย จิตมาออกนอกหมดเลยไม่ดีหรอกครับถ้าเราเด็กๆจิตเราก็ไปข้างนอกแล้วโตวขึ้นจะหนีไปหมดเลยอดทนนะอดทนแล้วแล้วตอนนี้สรุปว่าผมทำถูกต้องตามหลักยังครับทำถูกแล้ว<ม>เรามาเล่นเกมใหม่คอยดูใจของเราราคาเกิดนะขีดไว้ช่องราคาทิงโทรศัเกิดขีดไว้หนึ่งช่องลองดูนะว่าชั่วโมงหนึ่งเราเล่นห้านาทีดูว่ากิเลสตัวไหนเราเยอะ มันเป็นวิธีซ้อมอย่างหนึ่งให้เราหันมาดูใจบ่อยๆนะลองดูนะเป็นเกมที่สนุกมากเลยของคถ้าราคาเยอะนะต่อไปเราได้เป็นเปลดนะมัสการค่ะว่าไงขอวิหารธรรมค่ะขออะไรนะขอวิหารธรรมค่ะิหารธรรมนะเรามีมาแต่เกิดแล้วคือกายกับใจของเรานะจิตใจเราเป็นคนช่างคิดเราดูจิตใจไปเลยนะ เห็นไหมใจเราฟุ้งเก่งใจเราฟุ้งซ่านเก่งเราก็รู้ความฟุ้งซ่านไปช่วงนี้พยายามดูลมหายใจอยู่ไม่ทราบว่าเข้าไปมันบังคับมากไปใจมันทื่อๆไปรู้ลมหายใจรู้เล่นๆนะแค่เห็นร่างกายนี้หายใจเวลาเราจะรู้ลมหายใจเนี่ยจิตเราไม่เปลี่ยนเช่นตอนนี้เราเริ่มรู้ลมหายใจแล้วเราก็รู้ลงไปเลยเห็นร่างกายหายใจไปใจเราไม่ขยับเลยใจเราไม่เปลี่ยน เวลาเราจะเดินจงกรมเดินจงกรมเราพวกเราพอเริ่มคิดถึงการเดินจงกรมเราก็เริ่มดัดแปลงใจให้นิ่งละตัวเนี้ผิดละงนั้นเวลาจะเดินจงกรมก็เห็นร่างกายมันเดินไปเลยใจไม่เปลี่ยนแปลงเวลานั่งสมาธิก็นั่งไปเลยใจไม่เปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่จะน้อมให้มันซึมให้มันนิ่งตัวนี้ไม่ดีติดนิดหน่อยเวลารู้ลงไปที่ความฟุ้งซ่านมันไม่หายฟุ้งอะค่ะมันฟุ้งต่อใจไม่เป็นกลาง เจตนาไปรู้ที่ความฟุ้งซ่านไม่ได้เห็นความจงใจที่จะรู้นะจงใจดูนะจงใจดูเนี่ยจิตมีโลภะจิตมีความอยากดูเกิดขึ้นเราไม่เห็นว่าจิตอยากดูเพราะฉั้นโลภะเกิดขึ้นสติไม่เกิดหรอกไม่หายนะขอการบ้านไปดูอดทนนิดนึงนะอดทนนิดหนึง่งหากรรมฐ า, านอะไรสักอันหนึ่งก็ได้ท่องพุโทโธ บ, บ่อยๆก็ได้ ท่องพุทโธพุทโธไปแล้วใจไหลแวบรู้สึกใจไหลแวบรู้สึกนะลองดูนะถ้าไม่ชอบคําว่าพุทโธเอาคําอื่นก็ได้เคยมีพระองค์หนึ่งนะท่านมาบวชแล้วท่านท่องชื่อแฟนท่านจิตรวมเลยเพราะจิตชอบมากเลยคํานี้สมมุติแฟนชื่อมารีนะหลวงพ่อพุธบอกว่าให้ท่องพุทโธไปท่านก็พุทโธพุทโธพุทโธแล้วสุดท้ายเผลอแวบเดียวมันเป็นมารีมารีนะไปถามหลวงพ่อพุธว่าใช้ได้ไหมท่านบอกให้ท่องไป่ จิตมันชอบคำนี้นะท่องคำนี้แล้วสบายใจสบายใจแล้วจิตสงบเห็นไหมมีความสุขแล้วจิตจะสงบรู้ลมหายใจนี่ไม่เวิร์ใช่หมอะไรนะรู้ลมหายใจนี่ไม่เวิร์ใช่ไหมหรือว่าลองดูลองดูลมหายใจวางไมค์ก่อนรู้สึกไหมเริ่มดัดแปลงจิตแล้วตัวนี้แหละที่ผิดจะรู้ลมหายใจก็ได้แต่อย่าดัดแปลงจิตเอาต่อไปอนวัตการหลวงพ่อค่ะ ก็ปฏิบัติมาได้พักหนึ่งแล้วอะค่ะก็เห็นความทุกเห็นกิเลสแล้วก็ทุกน้อยลงอะค่ะแต่พอมาช่วงหลังเนี่ยค่ะเวลาปฏิบัติในรูปแบบอย่างสวดมนต์หรือว่านั่งสมาธิอย่างเงี้ยมันจะแน่นที่หน้าอกทุกครั้งเลยอะค่ะแล้วก็อย่างสวดมนต์ไปอย่างเงี้ยบางทีก็จะคิดไม่ค่อยรู้อย่างเงี้ยจนจบแล้วอ้าวจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ม, มันไม่ไหวก็ไปเดินจงกลมเมาเดินจงกลมก็เดินไม่ค่อยได้เดินได้แป๊บแปบก็แบบ มันหยุดแล้วอะไรเงี้ยเดินไม่ค่อยรู้อะค่ะแล้วทงนั้นต้องพยายามบังคับมันหน่อยนะพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปเงี้ยค่ะแล้วไม่ทราบว่าตอนนี้ที่หนูดูจิตอยู่ไม่ทราบว่าถูกจิตมันฟุ้งสั้นไปค่ะจิตมันฟุ้งสั้นเยอะไปไหนค่ะที่ดูอยู่ใช้ได้นะแต่ว่าช่วงนี้จิตไม่มีแรงไม่มีกําลังพอค่ะจิตมันฟุ้งหนูควรทํำยังไงดีคะลองท่องพุทโธดูก็ได้นะค่ะ พุโทโธมันดีอย่างหนึ่งนะมันไม่ได้ไปเพ่งอะไรไม่รู้จะเพ่งตรงไหนว่าพุโทโธไ<ะ>่รู้ลมหายใจก็ชอบไปเพ่งลมหายใจจะให้ไปดูจิตก็จะไปเพ่งจิตอย่างนี้แต่ถ้าท่องพุโทโธไม่รู้จะเพ่งที่ไหนน ะ, ะสบายตรงนี้นแหละก็ควรดูจิตไปดูกายของ<ะ>คุณตอนนี้นะต้อง<ะ>เคลื่อนไหวร่างกายให้เยอะๆด้วยะนะพยายามหางานทํานะกระทบอารมณ์ให้แรงขึ้นนิดนึงจิตมันน้อมเข้าไปอย่างนี้ไม่ดี คุณค่ะนำ้ำมัสการครับหลวงพ่อคือผมเพิ่งเริ่มฝึกปฏิบัติได้ไม่นานนะครับอยากขอให้หลวงพ่อช่วยพาดูพิษฐะสภาวะธรรมมาครับอย่างตอนพูดคําว่าอยากขอให้หลวงพ่อช่วยเนะี่ยรู้สึกไหมใจไหลแว บ, บไปไ ม, ไม่รู้รเมื่อกี้สั่นหน้ารู้สึกไหมเนี่ยสายหน้าอยู่รู้สึกไหมเห็นตัวนี้มันสายหน้าไหมเนะเวลาเราจะดูอย่าบังคับเริ่มบังคับแล้วเริ่มบังคับจิตแล้วนึกออกไหม เริ่มไปกดให้นิ่งอย่าไปกดมันนะรู้สบายบายรู้อย่างผ่อนคลายจิตแอบไปคิดทราบไหมถ้าดูจิตไม่ออกดูกายไปนะเห็นร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนนะแล้วเวลากิเลสมันแรงขึ้นมาเนี่ยสติมันจ ะ, ะระลึกขึ้นมาจะเห็นได้ลองดูนะลองดูสังเกตไหมตอนส่งไม่เราลืมตัวเราเองนึกออกไหมพอจะเห็นไหม คือถ้าถ้าเห็นที่จิตได้นะดูที่จิตไปถ้าดูที่จิตไม่ได้ดูที่กายไว้นะถ้าดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ก็ทำสมถะไปท่องพุทโธไปอะไรไปพอจิตใจสบายมีความสุขเรารู้ว่าจิตมีความสุขนี่เรากลับมาดูจิตได้แล้วจิตแอบไปคิดทราบไหมตรงที่จิตหนีไปคิดมองไม่เห็นเหรองั้นต้องไปดูตอนจิตมันกระทบอารมณ์ที่แรงนะปกติเนี้ยดูกายไปอาเชิญ นรรมรส ก, การค่ะหลวงพ่อคือเริ่มตามดูจิตมาได้ประมาณสองสามเดือนนะคะแล้วรู้สึกส่วนใหญ่ที่เห็นในแต่ละวันนะคะจะรู้สึกเห็นแต่ตัวหลงคิดนะคะอืมก็จิตเราหลงคิดบ่อยนะแล้วมันไม่ค่อยมีความสุขด้วยเราก็รู้ทันมันไปแล้วมาสองสามวันนี้นะคะ่ะจะเริ่มรู้สึกว่าเหมือนเหมือนเพ่งอะคะอ่ะอ่าถูกต้องแล้วทำไงดีใจชอบหรือใจไม่ชอบ เริ่มรู้สึกไม่ค่อยชอบอนี่ไงให้รู้ทันตัวเนี้อย่างเราจิตมันไปเพ่งนะแล้วจิตเราไม่ชอบเนี่ยไม่ใช่รู้ที่เพ่งนะให้รู้ที่จิตไม่ชอบเนี่ยให้รู้ทันที่ความยินดียินร้ายของจิตเมื่อตาเห็นรูปความยินดียินร้ายเกิดที่จิตมีสติรู้ทันหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิน่นลิ้นได้รสกายสัมผัสใจคิดนึกความยินดียินร้ายเกิดขึ้นที่จิตให้มีสติรู้ทันฝึกอย่างนี้ บ, บ่อยๆแล้วจะรียนถามหลวงพ่อว่า มีจลิตแบบไหนแล้วเอาควรจะเอาอะไรเป็นวิหาระธรรมคะอะไรนะควรจะเอาอะไรเป็นวิหาระธรรมคะเราช่างคิดไหมช่างคิดแล้วก็ดูใจที่เคลื่อนไหวใจที่เปลี่ยนแปลงรู้สึกไหมตรงที่พยักหน้าให้หลวงพ่อบอกโปรดตัวเองช่างคิดนะใจหลุดออกมานะใจโล่งออกมาเลยนะเพราะงั้นเราใช้ใจธรรมดาธรรมดาอย่างนี้แหละเอาไว้ปฏิบัติไม่ใช่ใจอย่างตะกี้ที่ซึมๆนะใช้ใจธรรมดาอย่างนี้ แต่ว่ายังสงสัยว่าบางวันนะฮะก็รู้สึกเหมือนรู้อะค่ะแต่บางวันก็เหมือนไม่แน่ใจว่าเป็ น, น อ, อย่างนั้นท <คน S 1> ุกคนแหละเป็นอย่างนั้นทุกคนนะบางวันภาวนาง่ายบางวันเหมือนภาวนาไม่เป็นเป็นทุกคนพอรู้สึกว่าภาวนาไม่เป็นอย่าไปดิ้นรนค้นคว้าให้รู้ว่าใจมันเหมือนกับไม่รู้เรื่องดูดูไม่รู้เรื่องก็รู้ว่าดูไม่รู้เรื่องไปถ้าเราไม่ชอบเราไปยิ่งดิ้นรนค้นคว้าให้รว่านเหมื่รเรืยองดูด่งดูไม่ออก อพะคุณก <heh> ารภาวนามันมีแต่เจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมไป เ, นะเรื่อยนะบางทีก็รู้บางทีก็หลงบางทีก็รู้บางทีก็หลงไม่มีหรอกดีถาวรสุขถา lipstick, วรสงบถาวรไม่มีครับก็ใช้เวลามาพอสมควรนะครับสุดท้ายนี้จะขอเป็นตัวแทนทุกท่านในศาลาหลวงชินแห่งนี้ในการกล่าวถวายทานในหลวงพ่อนะครับ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 สัพเพปูเรนตูสังกป่าจันโดพนรโสยถ า, ามณีโชติรโสยถ า, าสัพพีติโยวิวัตชันตูสัพพโรคโควินั ส, สตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายยโกภาวะอภิวาธนาศีลิสนิจังอุธาปจายิโนจัตตาโรธรมาวัฒ น, นติอายุวันโนสุขังพระลัง ภาวนานะภาวนามีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันไปเรื่อยๆนะไม่มีอะไรมากหรอกถ้าดูจิตใจได้ดูไปดูไม่ได้ดูกายทำไม่ได้ทำความสงบเข้ามานะให้มีเรื่องมีแรงนะทำสมถะทำวิปัสนาไม่ทิ้งนะไม่ทิ้ง